ท่านผู้ต้นใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมะในวันนี้อาตมาได้ตั้งหัวข้อว่าธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือสร้างคนสร้างชาติหรือสร้างโลกในที่สุดการบรรยายในวันนี้ ก็ให้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษซึ่งจะมองกันในแง่ที่ว่าเป็นธรรมชากัิฉาก็ได้หรือว่าจะเป็นปุจฉาวิสัชนาก็ได้แล้วแต่จะเรียกข้อนั้นไม่สำคัญข้อสำคัญก็คือให้สำเร็จประโยชน์ ในการที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวอันนี้ดังนั้นจะเป็นธรรมสากัะชาหรือเป็นปุจฉาวิสัชนาก็ย่อมจะเป็นอย่างที่เรียกว่าเอตมังธัลมุตตมังคือเป็นมงคลสูงสุดโดยเท่ากันแต่ว่าอาจะมาอยากจะซ่อมความเข้าใจหรือตระเตรียมจิตใจของท่านทั้งหลาย ว่าขอให้รับฟังการบรรยายนี้ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการขอใต้องใช้คาธรรมดาว่าคุยกันในระหว่างพุทธบริษัทกับพุทธบริษัท ร, ระหว่างพุทธบริษัทกับพุทธบริษัทก็หมายความว่าทุกคนเป็นพุทธบริษัท ทั้งผู้ฟังทั้งผู้บรรยายและผู้ซักถามที่ตรงนี้อยากจะขอแทรกขอโอกาแสแทรกอะไรสักนิดหน่อยว่าคำว่าพุทธบริษัทนี่คนส่วนมากอาจจะไม่ถือความหมายเต็มได้เต็มท่า น, นถ้าจะพูดกันตรงๆขออภัยที่ยัง้า้คำ ชาวบ้านว่าแฟนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากจะขอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆที่สวนโมกมีเด็กๆท่านประถมหลายโรงเรียนลัดกันไปรับการอบรมโดยเฉพาะเมื่อทําพิธีพุทธมามกกรเมื่อถามเด็กเหล่านี้ว่า อยากเป็นพุทธบรุรศาสตร์ไหมเข้างงพำถามว่าอยากเป็นพุทธมามกกากะไหมใครอยากเป็นพุทธมามกกากะยกมือบางคนหน้าซีดซีดรู้สึกหวากลัวพำถามว่าใครอยากเป็นแฟนพระพุทธเจ้าไหมยยกมือสลอนผมครับลมครับเต็มไปหมดเนี่ยคล้อยท้าใจว่าคําพูดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่อง เ, อเล็กน้อยเลย และเป็นเครื่องวัดว่าไม่ประเทศไทยเรานี่ยังรู้จักความหมายของคําว่าพุทธบริษัทหรือพุทธมามะกะอยู่น้อยมากจะน่าภูมิใจหรือน่าสลดใจก็ลองคิดดูกันแล้วกันท่านในที่นี้เราเรียกกันว่าเราพูดกันอย่างแฟนของพระพุทธเจ้าเหมือนที่เรียกชายเด็กกับเด็กๆจะเหมาะที่สุดเพราะว่า เรามีความรับผิดชอบร่วมกันในกรณีที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาขาฝากว่าเป็นข้อตั้งเกตเกี่ยวกับคำคำนี้ด้วยทีนี้เจะมองกันในอีกแง่หนึ่งจะเรียกว่าเป็นการถามตอบเพื่อความเข้าใจแก่ท่านทั้งหลายอย่างที่เรียกกันว่าแบบสักวาทีบารวาที นี้ก็ได้ก็ยังได้เพราะบรรดาท่านผู้สักถามเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอาจารย์อของคนทั้งบ้านทั้งเมืองในการทช่นนั้นมันเป็นการสนทนากันระหว่างบุคคลที่คนทั่วไปมักเรียกว่าอาจารย์จะมากกว่าอย่างนี้ก็เป็นแบบตักกวาทีหรือปรวาทีซึ่งมีความมุ่งหมายตรงกันในข้อที่จะมาช่วยกันซ <c oughs> ักท้าย เอข้อความที่ลึกซึ้งให้เป็นที่เข้าใจแแจ่มแจ้งจนกลายเป็นของง่ายตามแบบที่เรียกที่วัดว่าสักกวาทีปรวาทีแต่แล้วทั้งหมดนี้ก็ไม่พ้นไปจากการช่วยกันอทําความเข้าใจให้แก่กันและกันในระหว่างพุทธบริษัทที่ทำข้อนี้มากล่าว <c oughs> ก็เพื่อว่าเราจะได้คิดถึงข้อนี้แล้วปรับปรุง การบรรยายธทรรมหรือการอบรมสั่งสอนธรรมะนี้ให้เป็นไปในรูปที่ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้นเรายึดหลักเกณฑ์อันนี้เพราะว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าใช่หลักเกณฑ์อันนี้เพราะว่าหลักเกณฑ์อันนี้จะไม่เป็นช่องทางให้เกิดบันดาลโทสะหรือถ้าสมมติว่าฝ่าย ไ, ไดฝ่ายหนึ่งจะเกิดบันดาลโทสะขึ้นมา อีกฟ่ายหนึ่งก็จำต้องเห็นเป็นของขันหรือว่าจากช่วยกันแก้ไขให้การรดานโทสะนั้นหายไปหรือถ้าสมมติว่าเป็นไปได้ถึงกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีอาการเหมือนกับที่เรียกว่าปากตะไคร์อะไรอย่างนี้ขึ้นมาฝ่ายนั้นก็ พยายามที่จะเป็นเหมือนกับหนังหนังที่หนาหรือแห้งที่สุดเช่นหนังแลดหรือหนังช่างที่หนาและที่แห้งที่สุดเพื่อว่าการหั่นนั้นจะได้เอเป็นไปอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ได้ผลต่างกันกับที่ว่าจะเป็นตะไคร์ต่อตะไคร์และสัดกันนี่ อนันทสงเรื่องการที่จะคุยกันอย่างแฟนของพุทธบริษัทหรืออย่างประวาทิักวาทีหรือย่อมเป็นอย่างนี้ที่เราจะควรคิดดูต่อไปว่าในที่ประชุม <c oughs> เช่นประชุมสภา <c oughs> เขามีอ อ, อาการอย่างนี้หรือเปล่าทําไมเร า, เราจึงได้ยินได้ฟังว่าเขาทะเลาะวิวาทกันเขาคว้างปากัน และมีการประทะกันด้วยกำลังแม้ในที่ประชุมที่เรียกว่ารัฐสภาของประเทศบางประเทศนี่เราจะต้องนึกถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าในที่ประชุมที่ไม่มีสัจบุรุษนั้นไม่เรียกว่าสภาถ้าเรายังยึดหลักของพระพุทธศาสนาในฐานะ ที่ว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันประชุมกันเพื่อแก้ปัญหาของหมู่ของคณะแล้ว <c oughs> ย่อมจะไม่มีอาการอย่างนั้นไม่มีอาการที่น่ารังเกียจอย่างนั้นมีแต่ความหาต้นเห็จประโยชน์อย่างเดียวท่านจึงขอร้องในข้อที่ว่าเราพุทธบริษัทไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนคราวนี้หรือคราวไหน ตลอดการเป็นนิดนั่นจะต้องมอีการประชุมเพื่อช่วยกันทำประโยชน์แก่ศาสนาจนสำเร็จที่นี้ข้อที่อยากจะปรั บ, บความเข้าใจต่อไปก็คือว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กลัวหรืออย่าเพ้อรู้สึกกลัว ระยะเป็นการกลัวอย่างตื่นตื่นตูมพราจะมาจะมาชวนให้หนีโลกหรือให้ทิ้งโลกไปหรือว่าชักชวนจะไปสร้างโลกพระอรหันต์กันขึ้นมาหรืออะไรทำนองนี้เป็นต้นถ้ากล่าวทีงธรรมะที่ถูกต้องแล้วจะไม่มีอคําว่าทิ้งโลกหรือหนีโลกถา้าธรรมะที่ถูกต้องนั่น มุ่งหมายจะให้คนอยู่ในโลกด้วยชัยชนะต่อโลกคือไม่มีความทุกข์อยู่ในโลกนั่นเองท่านอย่าได้นึกเป็นห่วงไ่ว่าจะมีการชวนให้สละละทิ้งอะไรบางอย่างที่ที่ยังรักใคร่ห่วงแหนอยู่ดังนั้นมันจึงไม่มีอาการเหมือนกับที่ว่าจะจูงท่านทั้งหลายไปสู่ที่ที่ทไม่พึงปรารถนาะ สภาพที่ไม่น่าปราถนาไม่มีอาการอย่างที่พระเยซูเรียกว่าจูงอูดลอดรูเข็มคือจูงคนอย่างพวกยิวทั่วไปเนี่ยมาสู่ศาสนานี่มันเหมือนกับจูงอูดลอดรูเข็มหรือว่าเราจะพูดอย่างไทยๆว่าสายช่างลอดรูเข็มถ้าขออย่าได้คิดนึกไปในรูปนี้เลยอาตมาได้ประสบมันแล้วเป็นอย่างมากว่าพอพูดถึงธรรมะแล้วก็ นึกหวาดวันว่ามีแต่จะเป็นไปทางที่ขัดขวางต่อความประสงค์ของตัวหรือความชอบใจของตัวเป็นต้นเป็นอันว่าไม่มีแต่ทั้งอย่างนั้นก็จะต้องเข้าใจเสด้วยว่าต้องไม่เป็นการค่ากำไรเกินควรด้วยือื่อเรื่องทาบุญนิดหนึ่งแล้วไปสวรรค์ได้วิมารมากมายอย่างนี้ เป็นการฆ่ากำไรเกินควรอย่างนี้ก็ต้องไม่มีด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นธรรมะที่ เ, เป็นธรรมะคือเป็นธรรมะที่เป็นธรรมะคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นซึงสรุปในทันนี้ว่าการปุชาที่ตัะหนัธรรมะ หรือการบรรยายธรรมะนี้จะต้องเป็นไปเพื่อประเตรียมให้เราพร้อมที่จะเข้าถึงสภาพหรือสถานะอันหนึ่งซึ่งเหมาะสมที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่มีอย่างอื่นมากไปกว่านั้นนี้เป็นข้ออารมปรารบข้อแรก ที่จะทำความเข้าใจ <clears throat> เพื่อว่ามีสิ่งใดบกพร่องอยู่ก็จะได้ช่วยกันนึกคิดแก้ไขให้ดีที่สุดในฐานะที่มีความรับผิดชอบอร่วมกันที <clears throat> น, นี้ก็มาถึงคำว่าอาสาละหะหรืออาสาละหะบูชาซึ่งได้แก่วันวันนี้ <clears throat> นักมาขอเอาคำนี้มา วก็ด้วยเหตุที่ว่ามันมีความสําคัญเกี่ยวข้องกันอยู่บ้างเพราะว่ามีวันสําคัญอยู่สามวันคือวันวิสาวันมาฆบูชาวิสาขบูชาและอาสาลหะบูชาวันวิสาขบูชานั้นอย่างไรเสียก็ต้องถือว่าเป็นวันที่ลึกแก่พระพุทธเจ้าคือเป็นวันพระพุทธเจ้าหรือวันของพระพุทธเจ้าส่วนวันมาฆบูชานั้นมีปัญหา แต่ถ้าดูโดยเหตุการณ์ส่วนใหญ่แล้วเป็นวันพระอระหรันต์พระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านประชุมกันในวันนั้นเป็นวันที่ระลึกแก่พระอาหารหันต์น่าจะเรียกว่าเป็นวันพระอาหารหันต์ส่วนวันเช่นวันนี้วันอาสาฬหาบูชานี้มีเหตุการณ์สำคัญก็คือการแสดงปฐมเทศนาคือการแสดงหลักพระพุทธศาสนาที่สาคัญที่สุดเป็นครั้งแรกในโลก เรียกกันว่าปฐมเทสนาและยิ่งกว่านั้นก็มีความหมายเป็นไปในทำนองเหมือนกับว่าประกาศอาณาจากักรอันใหม่อันใดอันหนึ่งออกมาพระสัญชีฐิกาจารย์จึงได้ขนานนามพระธรรมเทศนานั่นว่าธรรมจักรกับประวัติศาสตรแร้าก็ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ประกาศอาณาจากักร ธรรมะของท่านขึ้นเรานควรคเดื่าเหตุการณ์อันนี้เป็นความหมายสาคัญเพราะฉะนั้น <c oughs> วันนี้จึงเป็นวันที่ระลึกถึงธรรมเป็นวันของธรรมหรือเป็นวันธรรมเมื่อวันนี้เป็นวันธรรมะหรือเป็นวันธรรมและเราประชุมกันในวันนี้ <c oughs> ก็จะต้องสนใจในวันนี้ให้มากเป็นพิเศษจึงจะสมกับที่เรานับถือพระพุทธศาสนา เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะกันในวันนี้ให้มากเป็นพิเศษกว่าวันอื่นในในในปีหนึ่งหนึ่งดังนั้นเราจึงจะต้องปรารบธรรมะกันในวันนี้ในที่นี้หมายความว่าจะต้องทำความเข้าใจกันจนันสามารถนำเอาธรรมะมา ประกอบหรือใช้อยู่ในชีวิตประจำวันทีเดียวขอร้องว่าอย่าให้เป็นเหมือนกับที่เป็นอยู่โดยมากคือว่าเอาธรรมะไว้ที่วัดเอาโลกไว้ที่บ้านเอาโลกแล้วเอาตัวเองนี่ไว้ที่บ้านแล้วธรรมะนั้นเก็บไว้ที่วัดการทำอย่างนี้ไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง เป็นการลบลู่ธรรมะไปในตัวด้วยเพราะว่าธรรมะจะต้องอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนคนนั้นจึงจะเรียกว่ารับรู้ในธรรมะหรือพอใจสนใจในธรรมะและปฏิบัติธรรมะแต่มาอยากจะขอใช้คำธรรมดาธรรมดาว่าธรรมะต้องอยู่กับตัวแม้ว่าจะกำลังอยู่ในครัวในห้องน้ำหรือในที่ทุกคนทุกแห่ง นี่ยขอฝากไว้ให้ช่วยการวินิจฉัยในข้อนี้มากเป็นพิเศษดังนั้นจึงขอวิงวอนให้เราทุกคนนี่ต้อนรับธรรมะในวันนี้เป็นพิเศษโดยการคิดถึงทรรมและการคิดที่จะทำให้ธรรมะนั้นเป็นประโยชน์เป็นผลดีแก่มนุษย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นี่คือคำปรารบทั่วไปของอาตา ม, มามีข้อชวนให้คิดเห็นเป็นประการใดหรือจะทำความเข้าใจให้ละเอียดออกไาอีกอย่างไรข้าเชิญท่านอาจารย์คริส์ปราโมดและท่านอาจารย์อื่นๆนี่ช่วยอภิปรายหรือช่วยทำความเข้าใจตามสมควรข้าขอ อยากขอกราบเรียนถามพระเดชพระคุณคือได้ฟังท่านบรรยายว่าคนเราไม่ควรจะทิ้งธรรมะไว้ที่วัดแต่ว่าควรจะให้ธรรมะอยู่กับตัวหรือให้ใช้ธรรมะในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะอยู่ในบ้านอยู่ในครัวก็ควรจะมีธรรมะอยู่อ่าก้อนนี้ก็ผมฟังแล้วก็อยากจะขอความรู้เพิ่มเติมก็ระเหตุว่า คำว่าธรรมะนั้นทั่วไปก็ไม่ทราบกันว่าจะเอาธรรมะข้อไหนก็เหตุว่าในศาสนาพุทธเราธรรมะนั้นมีมากธรรมะของบารชิตก็มีธรรมะของพระราวาก็มีแล้วก็มีอยู่มากมายหลายอย่างจะเป็นธรรมะอย่างไรบ้างความจริงคํากล่าวอย่างนี้ที่หว่าให้เอะไรต่ออะไรไว้กับตัวนี่ในศาสนาอื่นเขาก็มีเป็นต้นในศาสนาที่เขนับถือพระเจ้ า, เ, จาเขาก็มักจะสอนกันว่าให้เอาพระเจ้าไว้กับตัว ถ้าอย่างนั้นก็พอจะทําได้ง่ายเพราะว่าพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าไม่สูดจะยากเย็นอะไรนักพอจะเก็บเอาไว้กับตัวได้แต่ว่าบอกให้เอาธรรมะไว้กับตัวกับผมก็อยากจะทราบว่าเาธรรมะที่ท่านได้กรุณากล่าวถึงไว้เอาไว้กับตัวนั้นเป็นธรรมะอย่างไรและธรรมะข้อไหนเนื่องพอปัญหานี้ดีมากเป็นปัญหาที่ควรถามอย่างยิ่งทานมาก็ตั้งใจจะตอบคําถามข้อนี้อย่างยิ่ง ทเพื่อประหยัดเวลาจะไห้ตอบในเมื่อบรรยายถึงตอนนั้นซึ่งถือว่าเป็นตอนที่หนึ่งของการบรรยายในวันนี้ที่เรียกว่างานคือการปฏิบัติธรรมะนี่จะได้อบรรยายคําว่าธรรมะและธรรมะที่ควรมีอยู่กันเนื้อกับตัวโดยละเอียดที่ตอนนั้นนี่เป็นตอนอารัมพกขาอขออขอขอท่อมแต่เพียงว่ามันเป็นสิ่งที่ควรเอาไว้กับเนื้อกับตัวโดยแท้จริงตลอดเวลา หรือไม่เท่านั้นคณะผู้ขอประธานกลาวเรียนถามอีกข้อเมื่อกี้ก็เกิดสกิดใจท่านกล่าวว่าสัตวบุรุษคือเป็นพระพุทธเจนะว่าที่ประชุมที่ไม่มีสัตว์สมบูรณ์ก็ไม่ใช่สภาในขณะนี้ก็กําลังร่างรัฐธรรมนูญกันอยู่ในประเทศไทยกระผมก็เป็นสมาชิกร่างสภาร่างรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยปูนหนึ่งปัญหาที่จะพิจรารณากันมาก็รู้สึกก็มีความมีตกอยู่มากกว่าสภาอของประเทศไทยต่อไปนั้น จะมีลักษณะอย่างไรจะมีความเรียบร้อยหรือจะมีความบุบวายอลนเวงอย่างไรหรือไม่ท่านผู้ที่ร่างรัฐนูลทุกวันนี้ก็รู้สึกว ร, รมัดระวังและกําลังพิจารณากันอยู่โดยรอบขอบแต่ผมคาดกาใจว่าคําตอบก็คือว่าที่จะให้สภาของเราเป็นหลักฐานของแผ่นดินและเรียบร้อยต่อไปทั้งน่าก็ควรจะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้คนทั่วไปได้เลือกสัตบุรุษเข้ามานั่งในสภาพรามท้าสัตบุรุษเข้ามาแล้ว ถึงแม้ว่าไม่เป็นส่วนมากแต่ว่ามีจํานวนพอสมควรก็บางทีที่สภาของเราก็จะเป็นสภาจริงๆขึ้นมาในในลักษณะของศาสนาพุทธได้ก็อยากจะขอกราบเรียนถามสั้นๆว่าลักษณะขอ ง, งสัตว์ประหุษนั้นเป็นอย่างไรบ้างลักษณะขอ ง, งสัตว์ประหลุดหรือสันตะบุคคลในที่นี้ตามตัวหนังสือก็แปลว่าผู้งสงบ ก็ขยายความไปว่ามีกายมีวาจามีจิตทันสงบเมื่อเพ่งเล็งถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสประโยคประโยคนี้ในฐานะเป็นหลักทั่วไปในเฉพาะที่ประชุมของสงฆ์งก็ย่อมจะกล่าวได้ว่าท่านต้องการให้ที่ประชุมที่จะทำหน้าที่ที่ประชุมหรือสาเร็จควรควรเรียกว่าสภานั้น ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีการบังคับตัวเองมีความซื่อตรงต่อตัวเองหรือต่ออุดมคติของที่ประชุมนั่นแล้วก็รวมกายวาจาใจให้สงบรำงับไม่ลุกอำนาจแก่โทษสะหรือแก่อาคติทั้งสี่ประการและเราก็รู้สึกว่าปัญหาตอนนี้เป็นปัญหาของประเทศชาติทีเดียว นั่นเป็นคำถามที่ทททดีมากที่ขอให้ขอวิงวอนให้ท่านทุกคนช่วยสนใจและช่วยกันศึกษาเรื่องนี้จนเข้าใจเพื่อเราจะมีสภาที่เป็นสภาเล้งถึงว่าเราจะต้องได้รับจะต้องได้มีบุคคลที่ประกอบด้วยธรรมซึ่งซึ่งจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าอีกเหมือนกันว่าประกอบด้วยธรรมอย่างไร จึงจะเรียกว่าสัตบุรุษที่เมื่อสําคัญอยู่ที่ผู้เลือกถ้าผู้เลือกไม่เป็นธรรมตัวเองคือว่าผู้ที่มีสิทธิเลือกนั้นนะไม่ประกอบไปได้ธรรมตัวเองก็ย่อมเลือวิสัยสุดวิสัยที่จะไปเลือกผู้ที่ประกอบไปได้ธรรมมาเป็นผู้ประชุมเป็นที่ประชุมหรือเป็นสภาได้ทั้งความสาเร็จอยู่ที่ผู้เลือก เป็นส่วนใหญ่ท่านงขอวิงวอนให้ท่านทั้งหลายที่มีหน้าที่เลือกนี่สนใจในคําว่าสัตบุรุษคือบุคคลผู้ประกอบไปด้วยธรรมจะเส่ววงหอบรังนับได้เป็นสัตบุรุษได้ก็เพราะมีหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าธรรมอยู่กันเนื้อกับตัวอย่างที่เรียกว่าแา่แตในาท้องครัวก็มีเนื้อมีตัวเป็นธรรมนั่นอีกเหมือนกันนให้ให้ให้ใหคนทุกคนที่จะเป็นผู้เลือกก็เป็นผู้มีเนื้อมีตัวเป็นธรรม แล้วจะสามารถเลือกผู้ที่มีเนื้อมีตัวเป็นธรรมเป็นผู้แทนและสชุมกันรายละเอียดเกี่ยวกับว่ามีธรรมอย่างไรและจะเป็นผู้ ส, สงบหรือเป็นสัตว์รุษนั้นเราจะวินิจฉัยพร้อมกันไปทีเดียวกับคำว่าธรรมอีกก็มีอย่างนี้สวัสดมค่ับระผมขอปราบเรียนถามพระคุณเจ้า พระคุณเจ้าแนะนําให้เลือกอบุคคลซึ่งมีธรรมะเข้ามาในสภาแต่เขาได้บรรยายองค์ของตัดสบหลุดเขาไว้ด้วยปัญหามีอยู่ว่าบางคนมีความรู้ตามดัดเกณฑ์ของสภาที่ต้องการแต่ว่าเป็นผู้ซึ่งไม่มีธรรมะบุคคลที่มีความรู้ตามดัดเกณฑ์ที่ประกาศโดยตามที่สภาต้องการตามกฎขั้นตามขัมนมน้นกำหนดกฎหมายย่อมเลยเขาไปนั่งในสภาจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อ บ, บุคคลนั้น มีความรู้แต่ว่าไม่มีธรรมะที่เรียกว่าสัตจธรุมขอพระคุณเจ้าได้โปรดแนะนำทางแก้ไขซึ่งจาได้เหลือ บ, บุคคลเหล่านั้นเข้าไปนั่งในสภาข้อนี้ยมม้ำมายความว่าถ้าส่วนมากของอคนไทยเราประกอบไปได้วยธรรมกฎหมายก็ย่อมจะประกอบไปได้วยธรรมเพราะว่าออกขึ้นหรือประกอบขึ้นโดยบุคคลเมื่อบุคคลส่วนใหญ่ประกอบไปได้วยธรรม กฎหมายที่ออกขึ้นก็จะต้องเข้ารูปกันกับธรรมหรือประกอบไปด้วยธรรมท่านเราไม่ต้องกลัวหรือไม่ต้องสงสัยว่าจะไม่มีกฎหมายที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีธรรมเข้ามานั่งในสภาท่านเราช่วยกันเป็นผู้ประกอบไปได้วยธรรมไปตั้งแต่ต้นตั้งแต่ประชาชนคนลเมืองตั้งแต่ผู้ที่จะออกกฎหมายแล้วก็มีกฎหมายที่ประกอบไปได้วยธรรมเมื่อไม่เป็นธรรม ก็ควรจะถือว่าผู้ที่ประกอบไปได้วยธรรมนี่ยมีสิทธิที่จะทวงสิงสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามทาง่ของธรรมนั่นยิ่งเป็นการที่เห็นยิ่งขึ้นไปอีกว่าแต่ความสําคัญที่สุดที่มนุษย์เราจะรอดไปได้ก็คือก็ตรงที่ทําตนเข้ามาเนื่องด้วยธรรมหรือประกอบด้วยธรรมให้ยิ่งขึ้นไปถานั้นเองอขอถือเป็นหลักทั่วไปอย่างก ว, างวาง้างๆเท่าที่เราจะ ่บรรดาลให้เป็นไปได้เพียงเท่านี้เขอจะคุยได้วิพากษวิจารณาวันนี้เพราะนักหนาแต่เราผมก็ยังอยากจะถามนิดว่าทํเทาไหนเล่าจะรู้ว่าบุคคลคนนั้นมีธรรมะเพราะธรรมะไม่มีทรงใช้เป็นเครื่องแสดงธรรมะของบุคคลไม่มีอะไรปรากฏการไม่เห็นสําคัญแต่ว่าเมื่อมีความรู้ถูกต้องตามพระราชบักฎหมายและสมัครเข้ารือ่องกันงเราก็เลือกต่อไปปัญหาที่เราจะต้องประสบก็คือว่า ความทุกโธมนัดในเมื่อผู้นั้นเข้าไปนั่งสภ า, าเป็นผู้ที่ไม่ใช่ตัดตระกูลข้อนี้ขอพระคุณเจ้าวิจัรณารือฟร้างฝ่ายตะทั้งทั้งมามองเห็นในข้อนี้ว่ามีอยู่ทางเดียวคือว่าเราช่วยกันทุกอย่างทุกมิตีทางให้พวกเราทุกคนนิยมธรรมะประกอบตนอยู่ในธรรมะและขยายไปจนกระทั่งทั่วทั้งโลก ไม่มีทางอื่นที่จะช่วยได้หรือช่วยแก้ไขได้ต้อง ใ, ใช้ความอดทนและเป็นระยะยาวที่ช่วยกันช่วยกันทำพยายามทุกอย่างทุกทางให้พละเมืองของเราของประเทศเราเนี่ยยึดธรรมะเป็นหลักยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีและสิ่งต่างๆจะเป็นเป็นทางดีเองและมันมีทางออกอีกทางหนึ่งว่า ผู้ที่ประกอบด้วยธรรมะแท้จริงนั้นจะไม่มีวันเดือดร้อนแม้ว่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปในสภาพที่ไม่น่าปรารถนาอย่างยิ่งแม้ว่าโลกนี้ทั้งโลกจะลุกเป็นไฟไปหมดก็ไม่ทำจิตใจของผู้ที่ประกอบได้ธรรมให้เดือดร้อนจนกระทั่งเขาดับไปด้วยเป็นวาระสุดท้ายนี่เราจึงไม่กลัวในข้อนั้น และเมื่อสิ่งใดไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมได้เราก็ต้องอดทนเพื่อสร้างเพื่อแก้ไขกันไปเรื่อยๆอ่มันก็ต้องอประสบความสาเร็จเข้าวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยท่านประธานกระถาธรรมบรรยายในวันนี้ของมุ่งหมายจะชี้ชวนในเรื่องให้หันหน้าเข้าหาทำยิ่งขึ้นกว่าที่แล้วมาเท่านั้นเองและอันนั้นแหละจะเป็นการแก้ปัญหาหมดทุกแง่ทุกมุมเทุกชั้นทุกระดับทีเดียว ผสมบูตน า, าสาธุบางทีคุณปุ๋ยจะมีปัญหาจากผสมเพราะว่าผิวคุณเจ้าอธิบายนี่ก็เป็นที่สาบซึ่งก็ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่งก็จะพยายามปฏิบัติตามที่คุณเจ้าแนะนำํำกระผมขอประทานกจะเรียนถามที่พระคุณเจ้ากล่าวว่าธรรมะที่ถูกต้องจะไม่ทิ้งโลกหรือหนีโลกไปนั้นน่ะคืออย่างไรอยากจะขอประทานให้ยิ่ศัทนาให้กว้างขวางเพราะรู้สึกว่าเท่าที่เคยอ่านธรรมะของพระคุณเจ้า มาหลายเล่มก็รู้สึกว่าพยายานที่จะให้ตัวเองนั้นว่างให้เอ่อให้ว่างจากกิเลสตัณหาต่างๆก็รู้สึกว่าจะมีอาการแคร่ๆจะชิ้งโลกออกไปทุกทีออกไปอยู่ตัางหากแม้แต่พระคุณเจ้าก็อยู่ไกลเหลือเกินรู้สึกว่าจะทอดทิ้งคุทธบิษณ์อยู่บ้างฉันก็อยากจะกราบเรียนถามว่าธรรมะที่ถูกต้องที่ว่าไม่ชิงโลกหรือหนีโลกไปนั้นน่คืออย่างไรที่ว่าธรรมะจะต้องอยู่กับโลกไม่แยกจากโลกนี่ ก็เป็นความมุ่งหมายที่จะบรรยายในข้างหน้าอยู่แล้วขอตอบว่าอขอยืนยันแต่โดยใจความอีกข้างหนึ่งว่าธรรมะกับโลกนั่นถ้ามองกันในส่วนลึกแล้วเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันถ้าว่าปราฏจากธรรมะแล้วโลกก็ไม่เป็นโลกไมได้ จะสลายไปก่อนหน้านี้จนไม่มีพวกเรามานั่งอยู่ที่นี่เี่ยเราจะได้วิจัยกันในในตอนที่ว่าโดยธรรมะคืออะไรกระผมขอประทานถามเรื่องที่ทความข้องใจมาเป็นเวลานานพอสมควรคือเวลานี้พระพุทธศาสนาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนอกประเทศเพราะเราเห็นกันว่าเป็นศาสนาที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติมีความสุขได้จริง แต่ว่ายังมีข้อคงมีผู้คงใจยอยู่ในบางเรื่องเช่นในเรื่องกรรมและในเรื่องตายแล้วเกิดเราเชื่อกันว่าถ้าผู้ไดทํากรรมดีก็จะต้องได้รับผลของความดีนั้นตอบสนองแต่ทําทกรรมชั่วก็จะต้องได้รับผลชั่วตอบสนองเหมือนกันอาการกระทากรรมดีนั้นบางทีผลดีก็ยังไม่ตอบสนองได้ทันตาเห็นเพราะเข้าใจากันว่ามีกรรมชั่วมาคอยขัดขวางกรรมเออกรรมชั่วเก่ามาคอยขัดขวางอยู่ ในทำนองเดียวกันการทำชั่วบางทีก็ไม่เห็นผลของกรรมทันตาเห็นเพราะยังมีผลของกรรมดีในอดีตคอยช่วอยู่แต่วันหนึ่งข้างหน้าผลของกรรมชั่วจะต้องมาตอบสนองคือว่าไม่ใช่ชาตินี้ก็จะต้องเป็นในชาตินาแต่เรื่องนี้บางคนยังสงสัยเขาเห็นเป็นเขาเห็นกันว่าเป็นเรื่องของความคาดหมายปัญหาก็มีว่าชาตินานั้นมีจริงหรือไม่และผลของกรรมจะตามไปสนองในชาตินาได้หรือไม่ถ้าหากว่าชาตินาไม่มี ก็ไม่ต้องกลัวการทำชั่วเพราะว่ากรรมตามไปไม่ทันถ้าทำดีก็ไม่มีประโยชน์เพราะการทำความดีนั้นมันทำได้ยากแต่ว่าพระคุณเจ้าได้เคยแสดงธรรมกถาเรื่องใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่หอประชุมราชแพทย์พย า, ยลายัลศิริราชาพยายบาลเมื่อวันที่17กรกฎาคม2504วันหลักพระพุทธศาสนามูลฐานนั้นมุ่งเฉพาะความดับทุกข์ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์แล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธไม่ยอมเกี่ยวข้องด้วยไม่ยอมพยากรณ์ยกตัวอย่างปัญหาที่ว่าตายแล้วเกิดหรือไม่อะไรไปเกิดเกิดอย่างไรได้รับผลอย่างไรอย่างนี้พระคุณเจ้ากล่าวว่ามันจะเป็นปัญหาที่มุ่งตรงไปยังเรื่องดับทุกข์และยิ่งไปกว่านั้นยังไม่เป็นพระพุทธศาสนาอีกด้วยไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม่อยู่ในขอบวงของพระพุทธศาสนาเพราะไม่ในมุ่งหมายที่จะดับทุกข์อาผู้ถามก็ได้จะเชื่อตามผู้พูดายไป เพราะผู้ตอบก็ไม่อาจาที่จะเอาอะไรมาแฉให้เห็นได้เอเมื่อเร็วๆนี้ก็มีนักปาราชญาฝรั่งคนหนึ่งมาเยือนประเทศไทยคือนายฟานสตอรี่กมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องกรรมและในเรื่องตายแล้วเกิดเหมือนกัน เ, เมื่อพระคุณเจ้ามีความเห็นว่าเรื่องตายแล้วเกิดเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอไม่เป็นพระพุทธศาสนาระผมจึงสงสยัยและข้าจะขอให้พระคุณเจ้าได้ชี้แจงในเรื่องนี้ และขอเรียนถามว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนหรือไม่เคยพูดถึงเรื่องตายและเกิดหรืออย่างไรแต่ในสมกถาเรื่องเดียวกันแพระคุณเจ้ากล่าวว่าถ้ารู้จักถ้ารู้ว่าตัวกูหรือของกูไม่มีแล้วก็ไม่มีใครเกิดไม่มีใค ร, ใครตายแล้วไปเกิดใหม่อปัญหาที่สามที่ถามว่าตายแล้วเกิดจึงไม่เป็นจึงเป็นปัญหาที่ข่าวที่สุดและไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนานั้นมุ่งที่จะบอกให้รู้ว่าไม่มีคน อาที่ว่าเป็นตัวของเราหรือตัวเรานั้นก็ไม่มีมีแต่ความเข้าใจผิดของจิตที่ไม่รู้อาผู้ที่อ่านธรรมกถานีหลายคนได้ปรารบว่าไม่รู้เรื่องเพราะว่าเกิดนะ่เราก็รู้ว่าเกิดใครๆก็เกิดและเมื่อเกิดแล้วก็มีตายเกิดแย่เจ็บตายนั้นก็เป็นของธรรมดาเแต่ว่าไม่มีคนเกิดไม่มีคนตายนั้นได้อย่างไรอนอกจากนั้นในขณะนี้ก็ยังมีความดั่ริในเรื่องการคุมตําแหน่งกันทั้อีกด้วยเพราะามีคนเกิดมากเหลือเกิน ถ้าเชื่อตามพระคุณเจ้าที่ว่าคนไม่เกิดปัญหาเรื่องคุ้มกมันเหมดก็ไม่มีและความเห็นของพระคุณเจ้าก็รู้สึกว่าจะขัดกับความรู้สึกของคนธรรมดาตัวตัวไปก็จะกลาย เ, เป็นว่าถ้าหากว่าคนทั้งหลายจะเชื่อตามที่พระคุณเจ้าว่าก็จะต้องเชื่อตามที่พ ร, ระคุณเจ้าว่าได้ไปเหมือนกันเพราไม่อาจจะพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ เ, เป็นอันว่าศรัทธาในสุกภสศาสนาของประชาชนก็าอาจจะคลอนแคนไปได้บ้าง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องลึกซึ้งอยู่อยากจะขอให้พระคุณเจ้าในกรุณาวิจานา์นะปัญหาเรื่องเกิดใหม่หรือไม่กับเรื่องกรรมนี่เป็นปัญหาต้องการคําตอบ<ม>ยืดยาวมากถ้าจะ อ, อภิปรายกันในเรื่องนี้เต็มที่แล้วคงจะหมดเวลาท่านธรรมจะขอตอบเท่าที่เห็นว่าจําเป็นหรือโดยสรุปที่มันก็เกี่ยวกันกันกบคําว่าทำ อยู่เหมือนกันในเมื่อเราจะถือหลักว่าธรรมนี่เป็นหลักของพระพุทธศาสนาคือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องกรรมนี่ยังคาใจผิดกันอยู่บางประการว่าพุทธศาสนาสอนแต่เพียงว่าทำดีได้ดีและทำชั่วได้ชั่วเพียงเท่านี้ถ้าเพียงเท่านี้จตมาไม่ถือว่าเป็นหลักกรรมในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นที่รับรองต้องกันว่า คำสอนอย่างนี้มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้ามาทำดีดีทำชั่วชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่พระพุทธเจ้าท่านเกิด อ, อ, อ, อ, อุบัตทรงบัตกาเนิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อจะสอนลัทธิกรรมชนิดที่จะชนะทุกขได้ระดับทุกได้ตรงที่ว่าคนทําชั่วก็ทนทุกไปตามแบบคนทําชั่วคนทําดีก็ทนทุกไปตามแบบของคนทาดีขอสะาใจคาคำคำเดียวนี้ให้ใหใหใหดีว่าคนมีบาป คนทุกข์ไปตามแบบคนมีบาปคนมีบุญคนทุกข์ไปตามแบบคนมีบุญเพราะนั่นจะต้องมีกรรมอีกประเภทหนึ่งซึ่งท่านเรียกว่ากรรมที่สามก็ได้แต่ท่านเรียกว่ากรรมที่ไม่ไม่ดีไม่เชื่อไม่บุญไม่บาปเนี่ยได้แก่อริยมรรคนั่นเองตัวปฏิบัติในอริยมรรคนั่นเองเป็นกรรมที่สามซึ่งจ ะ, ะระงับอำ น, นาจกรุงแต่งของกรรมดีและกรรมชั่วเสียโดยสิ้นเชิงนั่นแหละคือดับทุกข์ ท่นพุทธศาสนาจึงมีเรื่องดับทุกข์สิ้นเชิงคืออยู่เนื้ออำนาจของกรรมโดยประการตั้งตัวงถ้าถือหลักกรรมอย่างนี้แพยายามปฏิบัติอย่างนี้จึงจะเรียกว่าปฏิบัติในเรื่องกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ถ้าอยู่ตามแต่เพียงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นมันเป็นเรื่องทั่วไปแม้ในศาสนาอื่นและไม่อาจจะดับทุกข์สิ้นเชิงได้ด้วยการกระทำความดีเพราะว่าถ้ายึดมั่นแล้ว ทั้งดีและทั้งชั่วมันเป็นทุกข์ทางนั่นเราจึงอสอนธรรมะที่สูงที่สูงสุดในเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงนี่ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทั่นจึงมีเรื่องกรรมที่สามขึ้นมาคือทําความไม่ยึดมั่นถือมั่นในกรรมดีกรรมชั่วนั้นขีดหนึ่งซึ่งยังซึ่งจะทําให้คนเรามีความสุขระดับทุกข์ได้จริง ที่นี้เรื่องเกิดใหม่หรือไม่เกิดด้วยอะไรนั่นก็อย่างเดียวกันอีกที่สอนว่าตายแล้วเกิดใหม่นั้นก็สอนกันอยู่ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าก็มีคนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียนว่าตายเกิดอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับในความเชื่อหรือความเรู้สึกอย่างนั้นว่ามันเป็นของธรรมดาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ท่านอธิบายให้ดีสมไหมว่าไอ้ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเกิดตายของความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเรา ทุกคราวที่เห็นรูปฟังเสียงลงศิ่นริมรถเนี่ยหน้าตัวกว่าและเป็นทุกข์ทรมานกว่าเป็นวัตถุสงสารอยู่ที่นี่ถ้ให้ศึกษาจนรู้เห็นเห็ น, เ ห, นเห็นชัดเจนว่าโดยที่แท้ที่ถูกนั้นไม่มีคนมีแต่สังขารปรุงแต่งกันไปตามเรื่องตามราวให้มองเห็นจนไม่มีคนอย่างนี้มันหมดเกิดหมดเกิดอกําลังเกิดก็ไม่มีจะเกิดต่อไปก็ไม่มี กระทั่งว่าแม่ย้อนหลังไปทางหลังถ้าเห็นจริงอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีเกิดนี้เรียกว่าสิ้นชาติหรือพ้อนจากการเกิดเป็นการดับทุกข์สิ้นเชิงมีความหมายอย่างเดียวกันกับเรื่องอยู่เนือกรรมเหมือนกันอาตมามุ่งหมายว่าถ้าจะเข้าถึงตัวแท้ของพุทธศาสนากันให้ได้แล้วจะต้องศึกษาและปฏิบัติมาจนถึงขั้นนี้ อย่าให้หยุดอยู่ในเพียงขั้นต้องศีลธรรมว่าตายแล้วเกิดทำชั่วเกิดชั่วทำดีเกิดดีเนี่ะทานองนี้มันเป็นส่วนของศีลธรรมในชั้นต้นทั่วไปสำหรับบุคคลทั่วไปประเภทหนึ่งซึ่งยังทำอะไรให้มากกว่านี้ไม่ได้แต่ว่าพุทธบริษัทเราควรจะมุ่งหวังถึงกับจะดับทุกข์ให้ได้ดีกว่านั้นให้น่าดูกว่านั้นคือกล้าคิดกล้านึกจนเข้าใจในเรื่องความเกิดอย่างถูกต้อง แล้วกล้าประพฤติกรรมที่สามเพื่อจะมองเห็นกรรมทั้งกรรมชั่วและกรรมดีเนี่ยเป็นของเด็กเล่นเป็นของเด็กอมมือไปหมดไม่ประสงค์จะอยู่ใต้อํานาจกรรมชนิดไหนหมดโดยประการทั้งปวงจึงได้กล่าวอย่างนั้นและคําอธิบายอันนี้จะมีต่อไปอีกในตอนที่เราจะบรรยายกันถึงคําว่าจิตว่างเพื่อประหยัดเวลาขอตอบแต่เพียงเท่า น, นี้ก่อน ถ้าไม่มีอะไ ร, รไต่อไปแต่มาก็อยากจะ อ, อขอชักชวนท่านทั้งหลายให้นึกต่อไปถึงข้อที่เราควรจะนึกอย่างยิ่งเกี่ยวกับธรรมะโดยหัวข้อที่ว่าธรรมะเป็นเครื่องมือสร้างคนสร้างชาติสร้างโลกและแต่มาจะมีหัวข้อย่อยไปว่างานคือการปฏิบัติธรรมและการทํางานด้วยจิตว่าง และหมวดธรรมที่เป็นเครื่องมือสำหรับจะสร้างจะทำงานด้จิตว่างหรือสร้างโลกสร้างโลกสร้างชาติให้สำเร็จสาเหตุเหตุนี้ <c oughs> มีอยู่ตรงที่ว่าเรากำลังหันหลังให้แก่ธรรมแล้วเราได้รับบาปกรรมและรับโทษทันอันนี้แล้วก็ไม่รู้สึกตัว ท่านขอวิงวอนว่าช่วยเลี้ยวดูธรรมะให้เป็นอย่างยิ่งช่วยสนใจในธรรมะให้เป็นอย่างยิ่งธรรมะกาลังถูกเข้าใจผิดธรรมะกาลังได้รับความไม่เป็นธรรมหรือว่าธรรมะกาลังถูกป ร, ป ร, รับประรในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งทั้งๆ ท, ที่โดยแท้จริงนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่จะสร้างคนสร้างชาติสร้างโลกเราจะวินิจฉัยกันข้างหน้าว่าสร้างอย่างไร ที่มองไปนอีกหน่อยหนึ่งต่อไปอีกก็จะเห็นว่าเมื่อเราอยู่ในลักษณะที่ต้องการจะพัพฒนาสิ่งต่างๆให้ก้าวหน้าก็ควรจะทราบด้วยว่าไม่มีเครื่องมืออื่นนอกจากธรรมะสติปัญญาหรือมันสมองที่ขาดธรรมะแล้วไม่สามารถจะทําการพัฒนาแม้ว่าจะมีโครงการดีมีหลักการดีแต่ถ้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติขาดธรรมะแล้วไปไม่รอด ทั้งโครงการและทั้งทั้งทั้งเจ้าหน้าที่ที่ถ้ า, ามีธรรมะเป็นผู้มีธรรมะแล้วเขาสามารถสร้างโครงการได้ดีเพราะว่าจิตใจที่ประกอบไปด้วยธรรมะนั้นย่อมจะแจ่มใสยอย่างยิ่งเป็นโครงการที่ปฏิบัติได้ดีแล้วคนก็ปฏิบัติได้ได้จริงเพราะว่าประกอบปไปด้วยธรรมะที่เรามีแต่คนที่ทางานเพื่อตัวไม่มีคนทำงานเพื่อธรรมะคือไม่มีคนทำงานเพื่องาน หรือว่าแม้แต่เพื่อประเทศชาติโดยแท้จริงนี่ก็ยังหายากอย่าว่าแต่เพื่อทําหรือเพื่อเพื่องานร่วนๆ น, นี่เป็นโทษของการที่ไม่ประกอบไปได้วยธรรมะโครงการนั้นก็เป็นเรื่องวิมานในอากาศหรืออะไรสนองนั้นที่งานที่ทําก็ได้แต่อย่างขี่เป็นผักขีโรยหน้าเพื่อทำเพียงเพื่อได้อ่านรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาหรืออะไรสนองนี้ นี่คือโทษของการที่ไม่สนใจกับธรรมะไม่ประกอบอยู่ในธรรมะท่า น, นขอให้ขอวิงวอนให้ผู้ที่หวังจะพัฒนาสิ่งต่างๆนี่จงหันหน้ามาหาธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาอีกอย่างหนึ่งต่อไปมาอยากจะขอวิงวอนให้เลี้ยวดูอีกว่าการพยายามดิ้นรนของโลกในปัจจุบัน ของสังคมที่รวมกันเอเป็นประชาชาติหรือเป็นอะไรก็แท้ประตามประตามแต่จะเรียกมีการต่อต้านที่เรียกว่านาร่งหรืออะไรต่างๆนี้เพื่อจะบำบัดนั่นนี่เช่นบำบัดความอดอยากบำบัดความเจ็บไข้บำบัดความไม่รู้หนังสือในโลกอย่างนี้แล้วก็ถือกันว่าเป็นงานชิ้นเอกงานสูงสุดอย่างนี้อัตมายังรู้สึกว่ามันยังเป็นแต่เพียงปลายเหตุ ไอ้ต้นตอหรือต้นเหตุของมันนั้นมันเมื่องมาจากการไม่มีธรรมถ้าเราจะจะบำบัดหรือนรง์สิ่งทําการนารง์กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะต้องแก้ไขที่ต้นตอคือการทําให้มีธรรมก่อนที่จะไปนึกถึงที่ว่าจะเอ า, เอาอะไรให้เขากินเอายาอะไรเขากินหรือว่ารีบสอนหนังสืออย่างนี้ถ้ามาขอายืนยันความคิดเห็นว่าให้ธรรมะก่อนการให้อาหารกินหรือก่อนอการเจ็บไาย การไม่รู้หนังสือเพราะว่าการมีธรรมะนั่นจะทําให้เขาแก้ไขความกดอยากหรือการเจ็บไข้หรือการไม่รู้หนังสือได้ด้วยตนเองไม่ใช่ว่าเขาจะตายเร็วเกินไปจนเราเ อ, อทําไม่ทันเดี๋ยวนี้เขาก็ยังอยู่พอที่จะ อ, อมีเวลาพอที่จะสนใจกับธรรมะแต่แล้วเขาก็ไม่สนใจธรรมะอิ่นมองอีกหน่อยหนึ่งก็จะเห็นว่า ถ้าไปมองเห็นกันแต่เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเมื่อเรื่องนั้งเรื่องเจ็บเรื่องท่าทางร่างกายนีย่มันเป็นเรื่องที่มองกันแต่ในทางวัตถุเกินไปไม่มองกันในทางจิตจิตใจหรือทางมนโนธรรมจึงไม่ถึงต้นตอโดยที่เราถือว่าจิตเป็นต้นตอของวัตถุความเจริญในทางจิตเนี่ยเป็นต้นเหตุต้องความเจริญในทางวัตถุ ที่เราไปกลับหลังกลับทวนควนควรกันจะเป็นจะเอาวัตถุเป็นใช่ไหมครจะเอาวัตถุเป็นรากฐานหรือเป็นต้นตอของจิตใจให้ขอให้คิดนึกในเรื่องนี้ให้เป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเราทำผิดพลาดและเราจะเหนื่อยเปล่าและเราจะอยู่ในสภาพที่หน้าสมเพศที่สุด แล่ถ้าเราจะทำกันจริงๆให้สิ่งเลานี้สำเร็จไม่ใช่เป็นเพียงักกีโรยหน้าหรือว่าเพื่อผลทางการเมืองทั่วข้างชั่วคราวแล้วเราจะต้องหันหน้ากข้าหาธรรมะให้เต็มที่ให้อย่างยิ่งในการที่จะต่อต้านหรือนรงในสภาพที่ไม่น่าปรารถนาที่มีอยู่ในโลกนี่คือข้อจะมารู้สึกว่าธรรมะกำลังไม่ได้รับความเป็นธรรม แม้จะมาจะถูกด่าว่าออกหน้ารับแทนธรรมะก็ยอมด้วยความยินดีอย่างยิ่งและสมัครที่จะเป็นอย่างนั้นจะถือว่าจะมาต่อว่าแทนธรรมะก็ยินดีที่จะยอมรับเป็นผู้ที่ทําหน้าที่อย่างนี้ทีนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นละเอียดออกไปอีกว่าชาวโลกกําลังไม่สนใจในธรรมหรือไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ธรรม <c oughs> อย่างจะยกตัวอย่างเหมือนอย่างคําว่ากิจการของลูกเสือเราดูต้งอุดมคติของลูกเสือหรือว่ากฎของลูกเสือเราจะเห็นว่าแต่ละข้อนั้นน่ะไม่พ้นไปจากธรรมะในพระพุทธศาสนาแต่ทําไมไปเรียกไอกฎเจนเหล่านี้ระบบนี้ว่าเป็นเรื่องลูกเสือคิดดูดีแต่ว่าเอคําว่าลูกเสือนี่มีความหมายอย่างไร ถ้าจะไปเรียกว่าลูกของธรรมะหรือว่าลูกของธรรมเป็นธรรมบุตรอย่างนี้จะดีไหมเรียกว่าลูกเสือไม่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ที่เป็นทายกชายิกาอุบา ส, สกบาสิกาถ้าเรียกว่าเป็นลูกของธรรมหรือว่าคล้ายๆกับกันนี่นะจะได้รับความสนับสนุนทันทีนี่เป็นความยุติธรรมที่ว่าเนื้อแท้นั่นเป็นธรรมแต่ไปเรียกว่าเป็นลูกเสือลูกหมีลู ก, ลกสิงโตอะไรตรงนี้ที่เรียกว่า ไม่เป็นธรรมแก่ธรรมเราจะไม่ยึดถือในคเนี้คาเรียกนี้จะเรียกว่าอะไรก็ได้จะต่อให้มันประกอบอยู่ได้ธรรมและถ้าเราเห็นแก่ธรรมเราจะต้องนึกถึงธรรมเหมือนนึกถึงประพฤติศาสนาก่อนอื่นเมื่อเรามามองอย่างนี้แล้วเราจะเห็นด้ทันทีว่าชาวโลกทั้งโลกนี้ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ธรรมอย่างเพียงพอ ใช่ๆกับว่าเอาเปรียบทำคือชิงเอาหน้าอของทำอยู่มากนี่ไม่ใช่การแนการแหนะทีเตียนกิจการของลูกเสือเพียงแต่ว่ายกมาให้เป็นตัวอย่างว่าในเรื่องหลายสิบเรื่องหลายร้อยเรื่องนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นทีนี้ต่อไปก็อยากจะมองอยากจะขอวินวอนมองต่อไปว่าคนในโลกเรานี้ช่างชอบความหลอกลวงเสียเกินไป ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเช่นว่าเราจะดู อ, อแคตตาล็อกขายของตามมิตร์สีต่างๆเนี่ยจะเห็นราคาที่ว่าสองสองเหรียญเก้าสิบห้าเซนหรือสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์สาบาทเก้าสิบห้าสตางค์นี้มากที่สุดและดูจะทำเป็นแฟชั่นไปเลยท้านี้เป็นแฟชั่นก็หมายความว่าชาวโลกนี้ชอบหลอกลวงทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคือคนทั้งโลกนั่นเอง นี่ไม่ใช่จะกันและกันแน่ตีเกียรในการกระทํานี่โดยเฉพาะยกตัวอย่างมาเพียงว่ามันแสดงอยู่ชัดว่าในโลกนี้ชอบความหลอกลวงมันจึงยากอย่างยิ่งที่จะเกิดความสนใจในธรรมท่านเราต้องหยุดการชอบความหลอกลวงนี่กันทุกวิถีทางที่ดูต่อไปอกีกเราจะเห็นว่าชาวโลกลุ่มหลงจนไม่ให้ความเป็ น, นธรรมแกธรรมะหรือธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่นว่า <c oughs> การที่มนุษย์จะต้องมีการสืบพันธุ์อย่าให้สูญพันธุ์อย่างนี้เราไม่ได้ยอมรับความมุ่งหมายของธรรมชาติอันนี้แต่ไปคลิกเป็นเรื่องความสนุกสนาน อ, อทางกิจกรรมระหว่างเพศหรือเป็นในของเล่ยเถิดนั่นไปอีกไม่ได้เคารพในการที่จะต้องสืบพันธุ์เพื่อรักษา พ, พันธุ์ของมนุษย์ว่าอย่าให้สูญไปจากโลก หรือว่าให้มีการประพฤติธรร ม, มาอยู่ในโลกเพราะมนุษย์ไม่ศูนย์พันอย่างนี้เป็นต้นที่การกินการกินอาหารและการอยู่อาศัยเรียกว่าเป็นปัจจัยสำคัญ น, นี่แทนที่จะเคารพในความมุ่งหมายว่ากินเพื่ออยู่เพื่อประพฤติธรรมกลับเป็นว่ามุนสิงเล่านี้ให้เป็นความ อ, ร, อร่อยหรือเป็นอุปกรณ์ของกิจกรรมระหว่างเพศไปหมด นี่มากที่สุดแต่เครื่องบำบัดโรคคือยารักษาโรคนี่ก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นเครื่องสำอางหรือเป็นอุปกรณ์แก่กิจกรรมระหว่างเพศไปยิ่งขึ้นทุกทีไม่มีความมุ่งหมายที่จะกาจัดโรคโดยบริสุทธิ์ตัวอย่างทั้งหมดนี่เรียกว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าธรรมะกำลังไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมนุษย์ เพราะฉะนั้นธรรมะจึงตอบแทนอย่างสะสมโดยหลักที่ว่าผู้ใดเหยียบย่ําธรรมะธรรมะจะเหยียบย่ําผู้นั้นนั่นมนุษย์เราจึงตกอยู่ในสภาพที่ทนทุกท ร, รมานคล้ายๆกับว่าเป็นนรกรอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มองเห็นอข้อเท็จจริงอันแรกที่สุดนี้เสียก่อนแล้วนักธรามาคิดว่าไม่มีทางที่จะสําเร็จ แม้ว่าเราจะมาอภิปรายเรื่องธรรมะนี้กันให้มากมายอสักเท่าไรท่าพจึาขอยกขึ้นว่าอันนี้เป็นปราโรคเหตุที่จะต้องวินิจฉัยกันเป็นข้อแรกว่าเรากําลังเหยียบย่ำธรรมะไม่สนใจแก่ธรรมะให้สมกับค่าของธรรมะหรือเปล่านี่ขออระเชิญท่านอาจารย์ทุคือและอาจารย์อื่นๆช่วยเอ ซักสรความเข้าใจข้อนี้ข้อความก็ตอบจะไม่มีอะไรที่จะกราบเรียนถามคือว่ากัเข้าที่ท่านบรรยายมาก็แลเห็นแจมแจ้งแล้วก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าธรรมะในที่นี้ที่ท่านกล่าวถึงผมเข้าใจว่ามันมีอยู่สองสองอย่างคือคือธรรมะในทางที่ควรปฏิบัติคือในธรรมะที่ที่ ที่เป็นเครื่องกําหนดในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นอย่างหนึ่งแล้วธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติหรือเป็นสภาพ ข, ของธรรมดานั้นดูมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งคือท่านกล่าวถึงคือที่ท่านกล่าวว่าเพราะมนุษย์เราเหยียบย่ำธรรมะธรรมะก็เลยตอบแทนเอานั้นรู้สึกว่ามีเกี่ยวพันกันอยู่ทั้งสองอย่างคือเป็นต้นแบบมนุษย์ขาดความสํารวมในเรื่องการครองชีพ ไม่ว่าจะทํากิจการใดก็ถือว่าเป็นกิจกรรมทางเพศไปหมดผลที่เกิดก็คือว่ามนุษย์ล้นโลกจกนกระทั่งเกิดความลําบากอย่างนี้มันก็มีทั้งสองทางธรรมะทั้งสองอย่างเข้ามาประกอบกันคือเรื่องของธรรมดาอย่างหนึ่งแล้เรื่องของศีลธรรมอีกอย่างหนึ่งที่มาลงโทษมนุษย์ที่กับร้อมเข้าใจอย่างนี้จะถูกหรือไม่ทีพอนเป็นอย่างนั้นแล้วเรากำลักลงกำลังจะวินิจฉัยธรรมะธรรมะนี้ในในเวลาต่อไปนี่ จะไม่มีปัญหาอะไรอีกแลก็มีครับผ ม, มยังอยากจะกราบเรียนสามคือกะผมฟังท่านแล้วก็ผมก็เห็นด้วยเหลือเกินทีนี้ก็อยู่ในโลกที่ออกจะหย่อนการประพฤติธรรมหรือหย่อนธรรมะเช่นนี้แล้วก็อยู่ในโลกที่กำลังพยายามที่จะพัฒนาทั้งนี้ก็ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นทุกๆประเทศก็กําลังจะพัฒนากันหมดแต่ว่าไม่ว่าจะไปในประเทศที่กําลังพัฒนาที่ไหนก็รู้สึกว่า แต่ละประเทศก็จับแต่ปลายเหตุอย่างที่ท่านว่าคือมีการรรงค์เพื่ อ, อแก้ความอดอยากมีการรรง์เพื่อสร้างถนนน้นทางหรืออื่นๆซึ่งล้วนแล้วจะเป็นปลายเหตุแต่เรื่องธรรมะนั้นไม่มีผู้ใดสนใจหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งความจริงเป็นต้นเหตุแล้วก็เมื่อบุคคลที่มีความเห็นอย่างกระผมนี้อยู่ๆไป ก็ต้องเกิดความทอ้อใจคือเห็นว่าจะทําอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์พูดกันไปก็แค่นั้นการปฏิบัติงานต่างๆก็ไม่ได้ทําเพื่อธรรมะถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าจะทํางานต่อไปเพื่อธรรมะจะเปิดวิทยุฟังเปิดโทรทัศน์ฟังเขาก็บอกว่างานนั้นเป็นของที่ทําเพื่อเงินมันคนละตรงกันข้ามมันไม่ใช่เรื่องธรรมะทั้งสิน้นผมรบับของส่งมาผมอยู่ไปตอนเหนื่อยหน่ายใจ อยากจะกราบเรียนถามว่ามีทางไหนจะหนีโลกอย่างนี้ได้มั่งผมไม่อยากอยู่แล้วนี่ยเป็นปัญหา ท, ที่ที่เป็นที่ควรจะเป็นปัญหาอย่างยิ่งท้องขอวิงวอนท่านผู้ฟังให้ช่วยเอาไปคิดไป น, นึกอย่างยิ่งเพื่อเราจะทุวมมือกันได้ถ้าเราไม่เข้าใจกันได้ในเรื่องนี้แล้ว ไม่มีหวังเลยที่ว่าเราจะใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติหรือมนุษย์ในโลกได้แต่มาจะอธิบายธรรมะคำว่าธรรมะในแน่นดับต่อไปนี้ใ ห, ให้ให้เป็นที่เข้าใจให้จนได้ถ้างั้นขา้อการอีกนิดหนึ่งว่าจะทําความเข้าใจกันต่อไปอีกหน่อยถึงถึงถึงความสัมพันธ์อย่างยิ่งระหว่างธรรมะกับการสร้างชาตินี่ เพราะว่ายังมี อ, อีกหลายท่านโดยเฉพาะนักเรียนอย่างนี้คงจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าเช่นคำว่าประหยัด <c oughs> ซึ่งเป็นหลักรมเก่าแก่ในพระพุทธศาสนา <c oughs> เด็กๆอาจจะคิดว่านี่เพิ่งจะเป็นคำขอร้องของรัฐบาลถ้าหากว่าประชาชนไทยเราเป็นพุทธบริษัทโดยสมบูรณ์อยู่แล้วคำว่าประหยัดนี้ไม่ต้องขอร้อง ขอยอ่นดูในพระใจเป็นดกตอนที่พระอานนท์สนทนากับพระเจ้าอุทเทนถึงเรื่องการใช้จีวรนพระานนท์ถูกถามว่าเมื่อจีวอเก่าวและทําอย่างไรพระานนทตอบว่าต่อพระเจ้าอุเทนนั้นว่าก็พยายามที่จะปะถ้าปาไม่ไหวจะทําอย่างไรก็จะดามคือต้อนถลหลายชั้น เป็นจีวรที่หลายชั้นซ้อนกันเข้าที่ถ้าดามมันก็ยังไม่ไหวายคือมันมันมันเปื่อยแล้วจะทํำยังไงถ้านนว่าท่านก็ทําให้มันเป็นผ้าปูที่นอนคือเป็นผูกผูกผ้าบางๆเนี่ยล้ปูนอนเราก็ใช้ไปจนมันยุ่ยเก่าแล้วจะทำอย่างอย่างอย่างไรอีกถ้านนท่านว่าอมาตับกันทอปกันก็เป็นผ้ารองนั่งเป็นผ้าปูนั่ง แล้พระูนังก็ช่ายจนเก่าจนา่าจะทำอย่างไงก็บอกว่าเอาไปเผาไฟเอาขี้เถ้าเาขย้ากับมูลโคแล้วก็ไปฉาบฟ้ากุฏิซึ่งทำด้วยดินให้มันเป็นของสะอาดขึ้นมาใหม่พระเจ้าเทนเลอยนับถือพุทธศาสนาเพราะคําตอบข้อนี้ให้ท่านลองคิดดูว่ามันประหยัดกี่มากน้อยเมื่อเทียบกับพวกเราเดี๋ยวนี้แล้วขออภัยที่จะ ต, ต้องใช้คำว่าพระเนรสมัยนี้ถ้าจีวรประหยัดเท่าไหร่ วินัยมีบัญญตัติจะต้องประหยัดสงวนบริหารเครื่องใช้สอยโดยเฉพาะอย่างว่าบาทรอย่างนี่ยจะเก็บก็ต้องระวังเก็บอย่างนั้นอย่างนี้จะเอาเก็บเข้าไปใต้เตียงใต้ตังก็ต้องควานดูก่อนว่ามีอะไรอยู่จะกระทบบาตรแตกเพราะเป็นบาทดินอย่างนี้อย่างนี้มีละเอียดปรับอาบัติที่นั้นทั้งโดยธรรมะก็ดีโดยวินัยก็ดีมีการประหยัดอย่างยิ่งโดยเฉพาะทางร่างกายให้ประหยัดในการบริหารกาย ถึงจะมีวินัยบัญญัติว่าการถ่ายอุจาระห้ามเวงแรงๆนี่ประหยัดไม่ประหยัดลองดูเพราะมันเป็นที่ตั้งของโรคผู้ที่ถ่ายจาระแรงนี้ถูกปราบอาบัตทุกกฎอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นไปในลักษณะ น, นี้แล้วเ อ, อคําว่าประหยัดนี่ไม่ต้องขอร้องกันอีกมันพอแล้วสำหรับพุทธบริษัททิ้งทิ้งคําว่าพัฒนาพุทธศาสนาก็มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนา แต่ระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะให้เป็นการพัฒนาจริงๆภาษาบาลีคำนี้สับสนพัฒนาแท้คือเจริญจริงๆนั่นท่านใช้คำว่าพวังเช่นสุวิชโนพะวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญส่วนคำว่าวัฒนาที่มาเป็นไทยว่าพัฒนาที่เราใช้กันอยู่เนี่ยกลับเป็นความเจริญที่ไม่พึงปรารถนาคือว่าหมายถึงโรครุมรัง <c oughs> เช่นนักศิาโลกวัฒโนเนี่ยอย่าทําโลกให้เจริญนี่หมายคำาอยาเป็นคนรกโลกคําว่าวัฒนาไปด้วยจะพบว่ามันหมายถึงรกรุงรังฉชนั้นไม่ใช่เจริญในสภาพทิ้น่าปรารถนาแต่ว่าภาษาไทายเราในคําว่าพัฒนาม า, าใช้เสร็แล้วไม่รู้จักคํ า, าว่ารวังนั้นอาจะต้องระมัดระวังให้ดีว่าจะต้องพัฒนาชนิดที่ว่าเป็นอ รวังเนี่ยมีความเจริญไม่ใช่พัฒนาอย่างโรครุงรังมากขึ้นมากขึ้นเหมือนญยาโรกเขาก็เรียกว่ามันเจริญเหมือนกันทีนี้ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าพัฒนาเนี่ยมุขตตาสนาไม่ได้มุ่งหมายให้วัฒพัฒนาทางวัตถุแต่ให้มุ่งหมายอพัฒนาในทางจิตมีคําว่าภาวนาซึ่งพลาดอันเดียวกับคํ า, าว่าภวังแปลว่าทําให้มันเจริญขึ้น คำว่าภาวนาเนี่ยตรงกับคำว่าทำให้เจริญขึ้นหรือ uh, development เนี่ยตรงกับคำว่าภาวนาถ้าเราทำอันนี้แล้วก็จะเป็นไปในทางเจริญที่น่าปรารถนาที่ถ้าว่าเป็นไปในทางวัตถุมุ่งแต่วัฒนาทางวัตถุอาตมายืนยันว่าจะนำไปสู่รัฐที่คอมมิวนิสต์โดยไม่ต้องสงสัยเป็นไว้แต่ว่ามีความรู้ที่ถูกต้องในทางจิตเข้าควบคุมไว้เท่านั้น นี่ยากใหเข้าใจว่าพุทธศาสนาไม่นิยมการพัฒนานิยมการถอยหลังหนีเข้าป่าไปอยู่เป็นฤาษีตามถาม้ำตามเขาคนเดียวนี่ไม่ใช่แต่ว่าให้พัฒนาด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องในทางจิตใจแล้วควบคุมวัตถุได้แล้ววัตถุก็ไม่ต้องรกรุงรังเหมือนยารกแต่ก็มีความเป็นอยู่ที่สบายที่เหมาะสมที่สุดสําหรับมนุษย์เรา ที่นี้มนุษย์เรานี่มีอวิชชาในข้อที่ว่าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนี่ยขอฝากไวทก้ทุกๆท่านว่าอาวิชชาของมนุษย์เรานี่คือไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมนุษย์มีอวิชชากันทั้งโลกในข้อที่ว่าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมพอเข้าใจผิดเรื่องนี้แล้วผลหรือปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นอย่างขัดกันไปหมด ยุ่งกันไปหมดจนหันหน้าเข้าหากันไม่ได้ทำความเข้าใจกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมี่นิโกะดาวาเองตามความรู้สึกสามัญสำนึกตามอารมณ์ที่กระทบมากที่กลายเป็นว่าคนหนึ่งก็ว่าเกิดมาเพื่อความอริยถ อ, อยทางอายาตนะอายตนะที่หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายเนื้อหนังเนี่ย เพื่อความอร่ อ, อยทางเนื้อหนังอย่างที่เรียกว่ากินดื่มร่าเริงเต็มที่พรุ่งนี้อาจจะตายก็ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าดีกว่านี้ก็จะรู้ว่าเกิดมาก็เพื่อกินเพื่อกามเพื่อเกียรติสามกอเนี่ยกินกามเกียรติกินกามเกียรติเนี่ยไม่มีวันเพียงพอเกิดมาเพื่อแถวนี้เองไม่ยอมรับรู้เป็นอย่างอื่นที่พวกหนึ่งจะไปได้สูงกว่านิดหน่อยก็ว่า มันเกิดมาเพื่อจะสร้างโลกนี้ให้งดงามตัวโลกนี้ไม่มีมนุษย์และไม่น่าดูมนุษย์จะมีอยู่ในโลกเพื่อทำโลกนี้ให้งดงามหรือบางคนจะคิดว่าเราเกิดมาเพียงเพื่อจะให้มนุษย์สูญพันธุ์อย่างนี้ก็ลองคิดดูเถอว่ามันยังต่างกัน็ปแล้วปฏิกิริยาแสดงออกของคนเหล่านี้ย่อมต่างกันมากที่จะมี ความคิดที่สูงไปกว่านั่นอีกก็ว่าข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อความดีเพื่อให้ลุถึงความดีสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับอย่างนี้ก็น่าชื่นใจอยู่ว่าเกิดมาเพื่อให้ลุถึงความดีสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับพระพุทธศาสนามีหลับที่ว่าเกิดมาเพื่อจะเอาชนะความทุกข์เกิดมาเพื่อจะเอาชนะโลก แล้วยังช่วยกันและการช่วยกันและกั น, ก น, กนให้เอาชนะความทุกข์และช่วยเออเาชนะโลกเนี่ยท่านอยู่ในพวกไหนหรือพูดสั้นๆ พ, พุทธศาสนาจะพูดว่าเกิดมาเพื่อจะได้หยุดเกิดกันเสีทีอย่างนี้ก็ยังได้ที่เรามองดอูเพื่อนมนุษย์ของเราทั้งโลกว่าเขากําลังเกิดมาเพื่ออะไรโดยแท้จริงมั้ย พ้าเห็นว่ายังไกลแม้แต่ที่ว่าจะเกิดมาเพียงเพื่ออยากให้มนุษย์ศูนพันนี่ก็ยังไม่มีซะแล้วจึงไม่มีแม้แต่เพียงว่าจะเกิดมาเพื่อให้โลกนี้มันงดงามเพื่อสร้างโลกนี้ให้งดงามท่ <c oughs> านจึงพูดกันไม่รู้เรื่องอันจึงน่าละอาหน่าเบื่อนาอย่างยิ่งในการจะพูดกันให้รู้เรื่องไหมข้อนี้จนห า, หาเพื่อนร่วมมื อ, อยากอย่างอาจารย์ชริดิศว่าแต่แล้วในที่สุด ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทนี้เราต้องไม่ทอถอยเพ่าเวลากำลังเรามีอยู่เท่าไรเราจะต้องทำให้ถูกต้องตามอุดมคติของการที่เกิดอยู่ในโลกนี้คือว่าเอาชนะสิ่งที่ควรเอาชนะให้ได้แล้วก็คือโลกนั่นเองจนเราไม่มีความทุกข์และคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนของเราในโลกนี้ก็ไม่มีความทุกข์ โดยการรู้ธรรมะหรือเข้าถึงธรรมะที่เป็นการหยุดจะได้ถึงความทุกข์หรือความหมายของคําว่าการเกิดนี่ขอให้ระลึกให้ ม, มากว่าพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะเหตุนี้เพราะวาอาวิชาของของมนุษย์ในโลกนี้อยู่ตรงที่ว่าไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมจึงไม่สนใจธรรมะ <c oughs> ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การเกิดเนี่ยเป็นเหมือนกับการได้ที่ดีที่สุด คือเอาชนะความทุกข์ได้ที่นี่อันสุดท้ายที่จะปราบในฐานะเป็นอา ร, รัมพกถานี่ก็คือว่าแม่ในหมู่พุทธบริษัทเราก็ยังเข้าใจกันไม่ได้ในในเรื่องของภาษาตองเรื่องคำพูดเช่นว่าคำว่าความอยากหรือความต้องการเพราะว่าความอยากแล้วก็ถูกปรับถูกประนามหมดว่าเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอคูสนลจิต ถ้ามันเป็นตันหาตามความหมายของบาลีย่อมจะมีมูลมาจากอวิชชาเพราะฉะนั้นเป็นอกุศ ล, ลจิตจริงเป็นเอสิ่งที่น่าขยะกขยแยงจริงแต่ว่าความอยากหรือความต้องการที่มีมูลมาจากวิชาหรือปัญญาอันนี้จะประนามว่าเป็นอกุศลจิตไม่ได้เพราะว่ามีมูลมาจากวิชาไม่ใช่จากอวิชชานั่นถ้ามีความคิดนึก ที่เต็มไปด้วยธรรมะประกอบอยู่ในธรรมะต้องการจะสร้างความเจริญหรือการพัฒนาหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ถูกจัดว่าเป็นอกุศ ล, ลจิตไม่ถูกจัดว่าเป็นตัณหาที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะต้องปรับความเข้าใจจนถึงกับว่าแม้แต่ว่าความอยากเพื่อจะไปนิพพานอยากจะนิพพานอยากจะพ้นโลกอยากจะออกจากโลกก็ตามถ้าความอยากนั้น ประกอบอยู่ด้วยความง ม, มงายเช่นเห่ตามตามเข้าไปด้วยความง ม, มงายอย่างนี้ถูกแล้วจัดความอยากไปนิพพานนั้นว่าเป็นปัญหาเป็นอกุศลจิตก็ได้เป็นโมหะก็ได้แต่ถ้าความอยากกับความต้องการที่จะไปนิพพานนั้นประกอบอจะได้วิ ช, ชาความรู้ความเข้าใจถูกต้องที่สมมาทิจิตอย่างนี้แล้วไม่ถูกเรียกว่าเป็นปัญหาเพราะไม่ได้มีมูลมาจากอาวิ ช, ชาแต่ว่ามีมูลมาจากวิ ช, ชา เดี๋ยนี้เรามาเหมากันจะหมดในเมืองไทยนี่เองทางศาลาวัดที่เองว่าความอยากทุกชนิดเป็นอคุณละจิตเป็นสิ่งที่ควรขยันขยันสอนไม่ให้อยากในทางนี้หรือว่าถ้าจําเป็นจะต้องอยากก็ให้ทนฝืนความรู้สึกอย่างนี้ใช่ไม่ได้พู้จบริษัทไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทําอะไรแต่ฝืนความรู้สึกว่ามันมันไม่ดีแล้วจะต้องทําอย่างนี้ <c oughs> อีกคำหนึ่งที่จะพอเป็นตัวอย่างได้ก็เช่นคําว่าสันโดษ ไม่พุทธศาสนามีคำว่าสันโดษแต่มีวว้ในฐานะนที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกำลังใจให้ยินดีพอใจในสิ่งที่กำลังได้รับอยู่ไม่ใช่เพื่อให้หยุดทำความเจริญหรือความก้าวหน้าเมื่ออย่างว่ากรรมกรเขาทำงานอยู่ <c oughs> เขาจะต้องมีความพอใจอิ่มใจอยู่ตลอดเวลาทั้งเขาจึงไม่ คลั่งไม่คลุ้มไม่คลั่งในจิตในใจอที่จะเกิดเป็นอกุศลแจิตขึ้นมาอย่างช้านาขุดดินลงไปทีหนึ่งก็พอใจว่าขุ ด, ดไปทีหนึ่งสองทีก็พอใจว่าขุ ด, ดไปสองทีอพอใจสวนเสฮาอยู่เรื่อยก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่เกิดความกลัดกลุ้มว่าถ้าเลิกเกินไม่ได้ผลง่ายทําไปเอไปขมโมยดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นท่านดอจึงเป็นแ เครื่องมือจาเป็นที่จะหลอเลี้ยงอยู่ทุกๆวินาทีให้คนพอใจในการปฏิบัติธรรมตัณฑ์ที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ท่า <c oughs> นเรียกว่าสัโด์ <c oughs> นี่เป็นรับอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่นํามาขึ่นความสุขแต่เราไม่เข้าใจอย่างนั้นเราเข้าใจว่ามันช่วยคนเราไม่ทําอะไรหยุดและให้ถอยหลัง น, นี้นี่เป็นการให้ ความไม่ยุติธรรมแก่พระพุทธศาสนาอย่างยิ่งโดยที่ว่าไม่ใช่ความผิดของของธรรมไม่ใช่ความผิดของพุทธศาสนาแต่มันเป็นความผิดของคนคนนั้นเองคือคนที่เรียนมาผิดผิดหรือสอนกันมาผิดผิดหรือเข้าใจเอาเองผิดผิดถ้าขอวิงวอนว่าขอได้เลิกล้างความไม่ยุติธรรมเหล่านี้กันเสียทีได้กระนาช่วยปรับความเข้าใจเอความเข้าใจถูกต้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับคําต่างๆที่ช้าอยู่ในพระพุทธศาสนานี้ให้ถูกต้องกันเสียทีแล้วเราก็จะอ <c oughs> จะรักพระพุทธศาสนาและรักธรรมะและหันหน้าเข้ามาหาธรรมะได้โดยง่ายได้และเป็นไปโดยง่ายได้คือก้าวหน้าในธรรมเนี่ยโดยง่ายได้ที่ขอพระว่กาสยุติขอข้อแท้จริงที่ว่า มันมีอะไรอยู่หลายอย่างที่ทำให้เราเกลียดธรรมะหันหลังให้ธรรมะหรือว่าไม่สามารถจะสัมพันธ์นกันกับธรรมะได้ทีนี้เรามาจะได้เริ่มการบรรยายซึ่งเป็นเนื้อแท้ของความของการบรรยายครั้งนี้โดยหัวข้อข้อแรกที่ว่างานคือการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมนี้จะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจคําว่าธรรมไปก่อนอย่างที่อาจารย์คือทิดว่าเมื่อกีน้นี้เพราะว่าคําว่าธรรมเป็นคําที่ยังเข้าใจกันไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกต้องอย่างไรสมบูรณ์บางทีก็เข้าใจสับสนเพราะว่าคํานี้มันกว้างมากมันเองเพราะฉะนั้นเราทําความเข้าใจข้อแรกของคําว่าธรรม คำว่าทำเนี่ยโดยภาษาบาลีหรือภาษาสันสกิตก็ตามถ้าพูดถึงเฉพาะตัวภาษาคือตัวคําพูดโดยตัวอักษรตัวพยัญชนะนั่นมันหมายถึงสิ่งทั้งปวงไม่ยกเว้นสิ่งใดหมดและถือว่าทุกสิ่งเป็นธรรมชาติไม่ว่าสิ่งที่จะเอธรรมดาหรือผิดธรรมดาใช้คําอย่างนี้ ที่มีมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งหรือไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็ตามที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงหรือไม่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงก็ตามหมายก็ว่าทั้งหมดนับตั้งแต่สิ่งไม่มีค่ากันไปจนถึงสิ่งมีค่าจนกระทั่งความคิดความนึกจนกรั่งการกระทําจนกระทั่งผลของการกระทํามีสมักผลนิพพานจนที่สุดเ่านี้เรียกว่าธรรมคำเดียวเท่านั้นแล้วเสมอกันหมดและโดยธรรมชาติแท้เขาเรียกว่าธรรม เนี่ยในชั้นแรกที่สุดกอให้หลับตานึกคิดมองเห็นชัดลงไปว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมหรือว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติส่วนที่เปลี่ยนแปลงก็พวกหนึ่งส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงคงที่ก็พวกหนึ่งทั้งสองพวกนี้เป็นเพียงธรรมชาติและเป็นธรรมที่นี่ทําไมเรียกว่าธรรมเพราะว่ามันมีความเป็นตัวมันเองมี เกณฑ์ของตัวมันเองพวกที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนพวกที่ไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนอย่างนี้เราเรียกว่ากฎเกณฑ์นั้นตายตัวของมันเองความที่มันทรงลักษณะอันนี้ไหว่แหละเรียกว่าธรรมเคําคำว่าธรรมแปล ว, ว่าทรงทรงไหว้ทรงตัวเองไว้ทรงตัวเองไว้ในลักษณะโดยเฉพาะของมันเองนี่เรียกว่าธรรมนี่ธรรมก็คือสิ่งทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกเป็นพวกแรกที่เราขยเยอขึ้นมานิดนึงว่า อสิ่งทั้งปวงนั้นมีกฎเกณฑ์อที่มองดูที่กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งปวงก็พบว่าทุกๆอย่างทุกๆชนิดทุกๆระดับมีกฎเกณฑ์ไอกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งปวงนั้นก็เรียกว่าธรรมอีกเหมือนกันไม่เรียกว่าอย่างอื่นเป็นความจริงหรือเป็นสัจธรรมขึ้นมาพมันมีกฎเกณฑ์อย่างนั้นจริง <c oughs> นี่เรียกว่าธรรมแท้ๆเป็นอย่างนี้มันเป็นสภาพธรรมชาติอย่างนั้นและมีกฎเกณฑ์อย่างนั้น ทีนี่มนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยทำยุ่ง <c oughs> คือมนุษย์พอเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็ชอบแยกว่านี่เป็นกุศลธรรมนี่เป็นอกุศลธรรมนี่เป็นอภิยาทิตคือยังบอกไม่ได้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล น, นี่ก็เพราะว่าเอาตามใจมนุษย์ชอบนั่นเอง <c oughs> มนุษย์มองเห็นว่าอย่างไรดีหน้าเอหน้าหน้าปราถนากว่าเป็นกุศลธรรมอย่างไรไม่น่าปราถนาเป็นอกุศลธรรมอย่างที่บอกไม่ถูก ก็เรียกว่าอัพยากิทนี่มันคือความคิดความนึกความรู้สึกของมนุษย์ท่นั้นที่ไปบัญญัติว่าดีว่าเชื่อว่าไม่ดีเอว่าไม่รูั่ ว, วดีหรือชั่วขึ้นมาแล้วก็เลยติดติดที่ที่ตนถูกใจหรือพอใจเพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าทำจึงเกิดเป็นว่ามีกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากาจระทอะไรขึ้นมาแต่ในที่สุดก็ไม่พล่อนจากสิ่งทั้งปวง ท่านจงว่าสิ่งทั้งพวงก็ดีกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งพวงก็ดีหรือประเภทของสิ่งทั้งพวงที่จำแนกเป็นเพศต่างๆก็ดีเรียกว่าชำนี่คือความหมายพื้นฐานระดับพื้นฐานอันที่สุดอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติโดยตรงแต่ว่าเป็นรากฐานของวิชาหรือของทฤษฎีที่จะเกิดการปฏิบัติ ที่นี้ก็มาถึงอืคำว่าทรรมที่ใช้กันอยู่ในยุคที่มนุษย์มีความก้าวหน้าในทางจิตหรือทางวัฒนธรรมพอสมควรแล้วคำว่าท ร, ร ม, มีความหมายพิเศษออกมาแยกออกมาว่าหน้าที่ดิวตี้หรือหน้าที่เนี่ยถ้าเราไปเปิดด้วยหนังสือไอธพแนเนอรี่ันสกีป หรือภาษาโบราณในอินเดียนี่โดยเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะคือว่าเป็นคําธรรมดาสามัญคล้ายๆกับว่าเป็นจริยธรรมสากลใช้ได้แต่คนทุกคนแล้วก็แปลคําธรรมะนี่ว่าหน้าที่ดิวตี้หรือหน้าที่และมีก่อนพุทธกาลที่ในสมัยพุทธกาลก็ยังมีเอการใช้คําว่าธรรมะซึ่งแปลว่าหน้าที่ เนี่ยพจน์นคาว่าธรรมะเกิดมีความหมายที่แคบธรรมะแล้วเป็นไปในรูปของการปฏิบัติยิ่งขึ้นคําว่าหน้าที่เนี่ยหมายความว่าหน้าที่ที่ทุกสิ่งจะต้องประพฤติหรือต้องกระทําหรือว่าหน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติต้องกระทําต่อทุกสิ่งเมื่อคําว่าธรรมะหมายถึงสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรแล้วก็หมายความว่าเราต้องรู้ว่าเรามีหน้าที่อย่างไรบ้างที่จะประพฤติต่อสิ่งทุกสิ่งนั้น นนหน้าที่นั่นเองเรียกว่าทำในที่นี้นั่นคำว่าทาในกรณีทั่วไปที่ใช้ได้ทั้ทงในทางศาสนาทางปรัชญาทางจริยธรรมอะไรก็ตามเนี่ยมีคําแปลว่าหน้าที่แม้สุดแต่ว่าเราจะเปิดหนังสืออินสกิตกชนิดที่ว่าหน้าขยักขยาย อ, อย่างหนังสือชื่อกามสูตรอยู่นี้มันทันแรกจะพบว่าการประกอบกรรมระหว่างเพศเป็นการประพฤติธรรม เพราะว่านั่นเป็นหน้าที่จะต้องทำให้ถูกต้องเพราะนั่นสูตรนี้จึงถูกเขียนขึ้นว่าอย่างนี้ห <c oughs> มายความว่าทำนั่นคือหน้าที่และหน้าที่ไม่ยกเว้นอะไรหมดท่านขอให้ให้ความเป็นธรรมว่าทุกอยามที่มีความรู้สึกมีเส้นมีความรู้สึกแล้วจะต้องํำนึกในหน้าที่จะต้องประพฤติหน้าที่เช่นว่า สัตว์เดรัจฉานก็มีธรรมาหรับเดรัจฉานแม้เป็นสุนัข ก, ก็จะต้องรู้หน้าที่แล้วประพฤติหน้าที่แล้วเจ้าของก็รักอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่สุดแต่ว่ามันจะประพฤติหน้าที่ไปเที่ยวหาอาหารกินรู้จักระมัดระวังตัวนี่ก็เรียกว่าหน้าที่ที่ตามลงไปถึงต้นไม้นม่นต้องรู้จักหาแสงแดดหาอาหาร อ, อต่อสู้อันตรายเป็นหน้าที่ของมัน ก็เรียกว่าเป็นหน้าที่ของต้นไม้ท่านจึงเห็นว่าคําว่าธทมเนี่ยในความหมายที่เรียกว่าหน้าที่เนี่ยเป็นของธรรมชาติโดยแท้ไม่ใช่คนบัญญัติเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโดยแท้ว่าสิ่งมีชีวิตหรือมีความรู้สึกนี้จะต้องมีหน้าที่และจะต้องรับรู้ต่อความมีหน้าที่ท่านทุกคนจะต้องทําหน้าที่คือประพฤติธรรมหรือทําหน้าที่เพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ของตัวนั่นแหละคือการประพฤติธรรม เป็นหลักทั่วไปไม่ยกเว้นในจริยธรรมระบบไหนปรัชญาระบบไหนหรือศาสนาระบบไหนที่พอมาถึงคาว่าหน้าที่เมื่อมนุษย์เราจะเริญนมากขึ้นจริญมากขึ้นในทางจิตใจเนี่ยในทางศาสนาจึงยอมรับเอาแต่เพียงหน้าที่ประเภทที่กําจัดความทุกข์ที่ละเอียดที่ลึกซึ้งเท่า น, านั้นเช่นพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าหน้าที่ที่จะทาลายโลภะโทสะโมหะ นี่เป็นหน้าที่แล้วก็บรรลุนิพพานมีผลของหน้าที่สุดของหน้าที่ด้วยหน้าที่ต้องบรรลุนิพพานจนกล่าวได้ว่ามนุษย์ทุกคนจะรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวก็ตามมีหน้าที่ที่จะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งฉะนั้นถ้าเขาไม่รู้สึกก็เป็นความผิดของเขาเองทั้งเขาโดยโดยโด ย, โดยธรรมชาติกําหนดว่านั้นจะต้องทําหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่อันนี้ถ้าเราจึงมีเอ คำว่าทำในความหมายที่สูงขึ้นมาคือว่าไม่ใช่กฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาทั่วๆไปซึ่งมากมายมหาศาลเรียนไม่ไหวแล้วเอาแต่เพียงว่ากฎเกณฑ์ที่ว่ามีหน้าที่อย่างไรแล้วก็ปฏิบัติเพราะฉะนั้นย่อมกล่าวได้ว่าแม่ชาวนาจะทำนาก็คือว่าเรียกว่าทำหน้าที่และเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะได้กล่าวมาแล้วขั้งต้นว่าแม่แต่ต้นไม้แม่แต่ตัดเยรชาน แม้แต่การประกอบกรรมระหว่างเพศนี้มันก็เป็นหน้าที่ไปหมดท่นคนค้าขายที่ทำหน้าที่ของคนค้าขายถูกต้องบริสุทธ์ก็เรียกว่าประพฤติธรรมเนี่ยขอให้เข้าใจว่านี่เป็นกดแรงของธรรมชาติและเป็นหลักธรรมอาตมาจึงถือโอกาสขอร้องว่าช่วยกันทำความเข้าใจในข้อนี้ว่า ถ้าชาวนาเขารู้ว่าการทํานานั้นคือการปฏิบัติธรรมแล้วเขาจะสนุกสนานจะอิ่มอกอิ่มใจจะพอใจในการทํานาไม่ได้ทาด้วยความจําเป็นเจ้นี้เราบอกเขาว่าบุญอยู่ที่วัดอทำธรรมะอยู่ที่วัดต้องไปที่วัดไอ้ทํานานี้ก็ทําเพื่อเอาไปแลกบุญที่วัดหรือไปแลกธรรมะที่วัดอย่างนี้เขาก็ มีเรื่องหลายฝักหลายฝ่ายแล้วก็ต้องทนมากเกินกว่าเหตุแล้วไม่ใช่ความจริงด้วยหน้าที่คือท ร, รมาทำมาคือหน้าที่ทั้นชาวนาก็ต า, ามชาวสวนกว็ต า, ามข้าราชการก็ต า, ามผู้ปกครองก็ต า, ามผู้ถูกปกครองก็ต า, ามแม่สุดแต่อะไรยาจกเข็นใจก็ต า, ามทำหน้าที่ของตัวนั่นคือการประพฤติธรรมเนี่ยคำคาว่าทำ ในยุคก่อนพุทธกาลกระทั่งถึงยุคพุทธกาลมีความหมายว่าหน้าที่อย่างนี้แล้วก็ขยายขึ้นมาให้รัดภุมข้าวันหน้าที่ของพุทธบริษัทที่มุ่งหมายนิพพานโดยเฉพาะนั้นเป็นอย่างไรที่นี้คําว่าธรรมในความหมายนี่แหละเกิดแยกออกมาจากที่เป็นอกุศลพวกอกุศลที่เคยเรียกว่าธรรมหรือกฎเกณฑ์ของอกุศลว่าอย่างไรนั้น เราไมเ่เราไม่แต่ต้องเราไม่เกี่ยวข้องเรารู้ว่ายสำหรับหลีกเลี่ยงและเราก็แยกมาแต่ฝ่ายกุศลคือความถูกต้องหรือความดีถ้าคำว่าทำจึงมีความหมายรัดกุมก็มาว่าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่ถูกต้องเพราะวาคาคำนี้ถ้าจะความหมายแล้วมันหลายสิบคำมีคาแปลหลายสิบคาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เพียงหลายคำ ที่เป็นภาษาอังกฤษลองนับดูตั้งสามสิบสี่สิบคำหมายเป็นพวกเป็นพวกเป็นพวกไว้หมายถึงธรรมชาติก็มีหมายถึงไงคำสอนหรือศาสนาก็มีหมายถึงความจริงความถูกต้องก็มีหมายถึงไงธรรมชาติเฉยๆยก็มีนี่แต่ว่าพวกพิโอโตฟีที่เขาสนใจจะรวมศาสนาทุกศาสนาให้เข้าเป็นศาสนาเดียวกันนี่ได้บัญญัติคาว่าธรรม ขึ้นมาตรงกับหลักที่เราต้องการที่สุดที่มีใช่ยอยู่ในพุทธศาสนาหรือว่าก่อนพุทธศาสนาก็ตามงคือความหมายคําวันหน้าที่นั่นเองคือถ้าบัญญัติว่าธรรมะนั่นนะคือการปฏิบัติะระเบิดของการปฏิบัติที่ตรงกับมนุษย์หเหมาะสมกับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาพระเอกร์คอส c อฟคอนด Rise for a man at his particular state, status of his evolution ระบอบการประพิศปฏิบัติที่เหมาะสําหรับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแทงวิวัฒนาการของเขาเขาให้พวกเราโดยเฉพาะยุวชนเนี่ยเข้าใจความหมายของคําว่าทำในลักษณะ น, นี้แล้วจะชอบทำจะรักทำจะหันหน้าเข้าหาทำรร มันแสดงความเป็นหน้าที่อยู่ในตัวว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องสําหรับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาตั้งแต่เกิดมานอนออแออยู่ในบอกเนี่ยมันก็มีเป็นมีวิวัฒนาการขั้นหนึ่งเล็กนั้นจะต้องมีระบบประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งรู้สึกตัวก็ตามไม่รู้สึกตัวก็ตามหรือว่าธรรมชาติสอนให้ก็ตามจะต้องรู้จับหน้าที่ที่ว่าจะกินอย่างไรจะถ่ายอย่างไรจะ ร้องไห้อย่างไรหรือว่าเอจะพูดจาอย่างไรจะดิ้นรนอย่างไรต่อไปจนเป็นเด็กที่คลานได้เดินได้เป็นทุกๆุกขั้นทุกทกทตอนเขาจะต้องประพฤติทำในความหมายนี้ก้ะทั้งเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีธรรมะต้องหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนมีธรรมะต้องพ่อบ้านแม่อื่นแล้วก็เป็นคนเท่าคนแก่หรือเป็นเอำนักบวชเป็นบรรพชิตต่อไป ทีนี่ว่าเด็กก็ตามคนหนุ่มคนสาวก็ตามเอพ่อบ้านแม่เลือนก็ตามชีวิตประจำวันอย่างไรที่ออฟฟิศทํางานอย่างไรกลางถนนอย่างไรในห้องน้ําอย่างไรห้องเครื่องอย่างไรเขาจะต้องประพฤติให้ถูกต้อง <c oughs> ตามระบบของสิ่งที่เรียกว่าเป็นความถูกต้องนั้นธรรมะในลักษณะนี้จึงหมายถึงความถูกต้องมันแคบเข้ามาเหลือเท่านี้แล้วไม่ได้กว้างขวางทั้งโลกทั้งจั ก, กรวาลอย่างทีแรกแล้ว เหลือแต่ว่าไ่า์ที่เป็นผู้สนแล้วก็เหลือที่เป็นความถูกต้องแล้วก็เหลืออยู่แต่ว่าเฉพาะวิวัฒนาการขั้นนั้นนั้นของเด็กของคนหนุ่มสาวของผู้ใหญ่ของคนข้าวคนแก่มันไม่มากมายอะไรนั่นจึงไม่อยู่เหลือวิสัยไม่เหลือวิสัยที่เราจะประพฤติทำให้เราปฏิบัติทำนั่นแหละเอคือการทําหน้าที่ คือการทำหน้าที่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเลยเป็นสิ่งที่สาคนใช้ได้แก่ทุกศาสนาแก่ทุกลัทธิปรัชญาท่านผู้ใดทำหน้าที่ของตนผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมถ้าเขาทำได้ถูกต้องและสมบูรณ์ก็เรียกว่าประพฤติธรรมถูกต้องและสมบูรณ์อย่าได้สังเกียตว่า เป็นครอบครัวสามีภรรยาอย่างคราวาดแล้วไม่มีการปฏิบัติธรรมหรือไม่มีการประพฤติธรรมขอร้องว่าให้ประพฤติหน้าที่ระหว่างสามีภรรยาให้ถูกต้องให้บริสุทธิ์ขุดทองให้สมบูรณ์นั่นแหละคือการประพฤติธรรมและเราจะกระโดดข้ามชั้นไปไม่ได้เนี่ยขอยืนยันมันจึงเป็นอย่างที่เด็กเขียนไว้ในคำนำของกามาสูตรนั้นว่า การประกอบคร ร, ระหวางเพศเป็นการปฏิบัติธรรมกระโดดข้ามไปไม่ได้ต้องทำให้ถูกต้องให้สอบไล่ได้แล้วขึ้นไปอันเราจึงทำหน้าที่ของเรานี่ให้ถูกต้องให้บริสุทธิ์ผุดทองให้สมบูรณ์เป็นการประพฤติธรรมคำว่าธรรมะในลักษณะนี้ <c oughs> จะเอามาใช้ได้กับการที่เราจะสร้างตัวเราเองหรือกับการที่เราจะสร้างประเทศชาติ หรือว่าที่เราจะสร้างโลกเอช่วยกันสร้างโลกทั้งโลกถ้าเราช่วยกันบอกกันจใหม่ว่าเราเอาปฏิบัติธรรมที่แท้จริงในการทํางานเพราะฉะนั้นงานนี่อจึงเป็นการปฏิบัติธรรมตัว่าเป็นงานเอาเพื่องานจึงจะว่าเป็นการปฏิบัติธรรม อยู่ในงานนั้นข้อนี้เราต้องอาศัยการเปรียบเทียบว่าการทำงานเพื่องานนั้นเป็นอย่างไรแล้วการทำงานเพื่ออย่างอื่นเช่นเพื่อเงินนั้นเป็นอย่างไรการทำงานเพื่องานนี่มันเป็นการปฏิบัติทำบริสุทธิ์ปุดปล ong ร้อยเปอร์เซนต์แม่เจริยธรรมสากลเขาก็มีหลักอย่างนั้นฉะนั้น Duty for อ่อฟ i ร์ s ดิว e เนี่ยหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่นหน้าที่นี่เป็นสุมมุมโบนุ่มข้อหนึ่งของของจริยธรรมสากล น, นี่ก็หมายความว่ามันงานเพื่องานแล้วมันถูกกันกำลหลักของธรรมชาติและของพระพุทธศาสนาว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำงานหรือทำงานนี้เพื่อทำที่ผลมันเกิดขึ้นว่าทำงานเพื่องานเนี่ยได้บุญด้วยได้เงินด้วย ถ้าว่าการทํางานแล้วมันไม่หนีไปไหนเงินต้องได้ด้วยแต่ว่าได้บุญด้วยเพราะเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ว่าถ้าทํางานเพื่อเงินและมันได้แต่เงินมันไม่เป็นการปฏิบัติธรรมที่ได้บุญด้วยเพาะถ้าเราจะยึดธรรมะเป็นหลักเราจะต้องอืถือหลักว่าทํางานเพื่องานหรือเพื่อการปฏิบัติธรรมและได้เงินด้วยได้บุญด้วยถ้าเราจะพูดว่า งานคือเงินเงินคืองานนี่เราต้องอธิบายกันให้ให้ดีเพราะว่าถ้าเผลอนิดเดียวมันเป็นงานเพื่อเงินถ้าว่างานกับเงินเป็นอันเดียวกันจะต้องว่าจะต้องเป็นว่างานนี่เพื่องานแล้วถ้าว่างานเพื่อเงินแล้วจะกระเดียดไปในทางหลงเงินและบูชางเงินจะเลยเป็นอุดมคติที่ว่า กรรมกรก็จะยื้อแย่งนายทุนก็ไม่เผื่อแผ่และลัทธิคอมมิวนิสต์ก็เกิดขึ้นที่ถชาว่างานเพื่องานมันได้บุญด้วยเงินก็ได้ด้วยและนายทุนก็เผื่อแผ่และกรรมกรก็สันโดษสพอใจในการปฏิบัติธรรมของตัวคือการงานและไม่ยื้อแย่งและละทัทธิอย่างลทัทธิคอมมิวนิสต์ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นในโลกนี่เป็นคำว่า ทำงานเพื่องานกับทำงานเพื่อยอย่างอื่นนั้นอะ่ะมันต่างกันอย่างตรงกันข้ามที่ได้เป็นไปตามหลักของคําว่าทำมัตคือหน้าที่แล้วหลักก็จะเกิดขึ้นว่าทํางานเพื่องานทํางานเพื่องานนั่นคือการปฏิบัติธรรมนั่นที่จะมาว่าขอร้องให้มีธรรมะแม้กระทั่งในห้องน้ําในห้องสูวมนี้ก็คือให้สํานึก ถึงหน้าที่ที่ว่าตัวเกิดมาทําไมจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรจะต้องกระทําต่อสิ่งเล่อๆทั้งหลายอย่างไรหรือไม่สุดแต่ว่าจะทํางานเนี่ยทําเพื่ออะไรและไม่สุดแต่งานที่ต้องทําในห้องน้ําและห้องคร่วมนั้นน่ะจะต้องทําให้ฝุดทองบริสุทธิ์สมบูรณ์เพื่อจะได้เป็นมนุษย์อที่ทําหน้าที่ของมนุษย์อย่างสมบูรณ์อย่างนี้ <c oughs> อย่างนี้ในคว่ามมีธรรมะ อยู่ทุกกระเบียดนิ้วที่เนื้อที่ตัวเดินไปไหนอยู่ที่ไหนมันก็มีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวแม้กระทั่งในห้องน้าหรือห้องตูวมก็ไม่ลืมบุดวงกติว่ามนุษย์นีเ้เกิดมาทำไมถ้าเลยอยากจะขอฝากไวอ้อีกนิดหนึ่งว่าถ้าเราจะเปลี่ยนพูดเสยว่าทำงานเพื่อ ง, งานงานเพื่อ ง, งานบรรดาศุกนี้เราจะ ป, จะประหยัด เวลาพูดได้แค่สองสามวินาทีว่าไม่ต้องวนไปวนมาว่างานคือเงินเงินคืองานนี่บรรดาสุกร์นี่แล้วว่างานเพื่องานบรรดาสุกร์แล้วก็ได้ผลเป็นความหมายที่เป็นพุทธบริษัทด้วยแล้วประหยัดคําพูดได้สองประโยชน์นี่ประหยัดเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งได้แย่เหมือนกันนั่นจึงว่าระวังให้ดีถ้าว่าเราจะถูกโบส์กันด้วยมติสาคนว่าทํางานเพื่ออะไร ในโลกนี้เอามาไปชุมกันทั้งโลกและโหวตกันเป็นมติสาคุณว่าทำงานเพื่ออะไรและใครจะยกมือทางไหนว่าทำงานเพื่องานหรือว่าทำงานเพื่ออะไรกันแน่ที่เราเตรียมตัวไว้ต่อไว้ไว้รับหน้าการโวตของเจริญธรรมสาคุรว่าอย่าให้ประเทศไทยที่เป็นประเภทประเภทประเทศพุทธบริษัทนี้ตั้งใจรับการยืนยันว่าไม่ถึงขนาดหรืออะไรทั้ง น, น, นั้นเลย ในมาขอเอให้สนใจในคําว่าธรรมะกันในลักษณะอย่างนี้คือการปฏิบัติหน้าที่หรือการทํางานที่บริสุทธิ์นั่นเองคือการปฏิบัติธรรมะแม้สุดแต่ว่าแจวเรือจ้างแม้สุดแต่ว่าถีบสามลอ้อก็ขอให้เข้าใจอย่างถูกต้องว่านั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไม่ใช่คํานี้จะหลอกลวงหรือจะโฆษณาให้พระพุทธเจ้าหรือจะโฆษณาให้ใคร ก, ก็ไม่ใช่ แต่ว่าเป็นความจริงขอยืนยันว่าเป็นความจริงแล้วขอขอร้องว่าให้ช่วยเอาอไปคิดไปวิาพากษ์ไปวิจารณ์ไป อ, อ, อะไรให้ถึงที่สุดว่ามันจริงหรือไม่และถ้าเราถือดมคตินี้แล้วหัวใจใจใจเย็นเป็นสุขแม้กระทั่งกรรมกรหรือไม่จะเต็มไป ด, ด้วยบุญด้วยกุศลทั้งโลกหรือไม่ทีนี้ก็พุทธบริษัทเรา อาตมาใช้คำว่าพุทธบริษัทเราขอภัยขอขอภัยด้วยถ้าว่ามีที่ไม่ใช่พุทธบริษัทเราว่าถ้าพุทธบริษัทเรามาคํานึง่ อ, อถึงข้อที่ว่าพุทธบริษัทนี้มีอะไรเป็นเป็นเครื่องหมายของพุทธบริษัทไม่ใช่คนทั่วไปแล้วอาตมาคิดว่าเปลี่ยนดูดมคติว่างานมามาเป็นว่างานเพื่อ ง, งานเถอะ จะได้เป็นการเดินตามพระพุทธเจ้าและพัสสาวกัลหันพสาวกัลธรรมายืนยันว่าพระพุทธเจ้าท่านทำงานมากกว่าพวกเราทุกคนทั้งกลางวันและกลางคืนท่านทำด้วยอะไรท่านท่านโดยความสำนึกในหน้าที่ท่านไม่ได้หวังเงินเดือนที่ไหนท่านไม่ได้หวังคายกย่องสรรเสริญที่ไหนและท่านยังประนามได้ซําไปแต่ว่าท่านสำนึกในหน้าที่ของท่าน และท่านทำงานทั้งวันทั้งคืนและพระอาหารหันตสาวกของพุทธเจ้าก็เหมือนกันทำงานด้วยอุดมคติอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าคือสำนึกในหน้าที่และท่านก็เลยเช่วยพวกเราได้ทีนี้พวกเร า, เ ป, ปราเป็นสาวกของท่านเป็นพุทธบริษัทก็ควรจะมีอุดมคติเหมือนท่านและเราก็จะได้มี อะไรที่เข้ารอยเข้าร่องเข้ารอยกันและที่สำคัญที่สุดนะเราจะได้มีสุขภาพในทางจิตที่ดีอาตมาอยากจะขอร้องให้ช่วยดูให้ละเอียดสักหน่อยว่าถ้าคนเรามีความกระหายกระว น, กระ ว, นกระวายวิตกกังวลกระตับกระส่ายอยู่เสมอแล้วเราไม่เรียกว่ามีสุขภาพทางจิตที่ดีเราต้องอยู่ในจิตว่าง <c oughs> ไม่มีตัวเรา ที่เป็นความเห็นแก่ตัวเรามีแต่สติปัญญารู้ว่ามันควรจะเคลื่อนไหวไปอย่างไรนี่เรียกว่าถ้าทํางานมันก็ทําด้วยสติปัญญาสํานึกในหน้าที่เรียกว่าทํางานด้วยจิตที่ตราศจากความรู้สึกว่าตัวกูอย่างนี้สุขภาพทางจิตดีมีสุขภาพทางจิตดีกับมีสุขภาพทางจิตไม่ดีนี่มันมันเป็นอย่างไรบ้างขอให้ลองลองลองลอ ง, ลองเทียบเทียงกันดูดี โรงพยาบาลทางจิตเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าคนขาดสุขภาพทางจิตนะถ้าเรามีสุขภาพทางจิตแล้วเอกันดีแล้วเราปิดโรงพยาบาลเอประเภทนั่นได้ที่ขอยคํานึงถึงเอส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่ว่าเราเป็นพุทธบริษัทมีลมคติของพุทธบริษัทอย่างไรอยากใ้เข้าใจว่าเราเจะ ประนามอุดมสติว่างานคือเงิ น, งนเงินคืองานอในตองนั้นนั่นก็เหมาะสมสําหรับผู้ที่จะทําความเข้าใจในครั้นแรกและเรายังจะต้องยอมรับโดยว่าเราไม่ได้หมายความว่าอุดมสตินั้นทํางานเพื่อเงินเพียงแต่บอกให้รู้ว่าเงินคืองานงานคือเงินเป็นสิ่งเดียวกันขอให้แปลความหมายให้ถูกต้องใช่ใหม่ว่าทํางานเพื่องานนั่นเอง <c oughs> อย่าได้ไปหลงผิดเป็นทํางานเพื่อเงินเขาและจะเสื่อมสุขภาพทางจิต และจะต้องเพิ่มโรงพยาบาลประเภทนั้นและลำบากมากเนี่ยมันมีผลต่างกันอย่างนี้ทีนี้ก็มีมาถึงว่าเราจะคิดดูให้ดีว่าก่อนนี้ <c oughs> ชาวนาเขาเป็นพุทธบริษัทมากกว่าเดี๋ยวนี้ชาวสวนกรรมกรอะไรต่างๆประชาชนพลเมืองประเทศไทยก็เป็นพุทธบริษัท มากกว่าเดียวนี้ทําไมจะมากล้าประนามกันอย่างนี้ก็เพราะ ม, มารู้สึกด้วยใจจริงว่าคนค น, คนยุคก่อนเขาเยือกเย็นกว่านี้ด้วยข้อที่ว่าทํางานเครื่องงานเราเห็นชาณาขุดดินร่องเพลงสนเสรเฮฮาอ่ากันด้วยความพอใจในงานมากกว่าสมัยนี้ถ้าเมื่อก่อนในกระดูกสันหลังของเราอ่ะยิ้ม มากกว่าร้องไห้เดี๋วนี่ก็จักจะร้องไห้มากขึ้นหน้าดำทำเครียดอนี้มากขึ้นเพราะดวงกติที่ว่าไปหลงวัตถุนิยมอย่างวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เป็นของต่างประเทศนั่ น, นะมากขึ้นลืมพระพุทธเจ้าลืมพระธรรมลืมพระสงฆ์เหมือนแต่การก่อนที่ว่าทำความดีคือทำหน้าที่ เมื่อกระดูกสันล้างของเราชักจะเริ่มสุขภาพทางจิตยอย่างนี้คือพวกชาวนาซึ่งมีมากที่สุดนี่มันก็เกิดความรัศมสายขึ้นในประเทศชาติของเราสรุปว่ามิวดมกติอย่างนี้มันนำไปสู่ผลอย่างนี้ทีนี้ส่วนใหญ่ <c oughs> เราเห็นว่าไม่ไหวแล้วอย่างทน า, จายจ้างที่ริบว่าเขาไม่ลื่นเขาไม่สมัครลื่น การมาชวนให้เลื่อนว่าเลื่อนกันเถอะเลื่อนมาเป็นงานเพื่องานกนเถอะอย่างงานเพื่อวัตถุเลยอย่าออย่างงานเพื่ออื่นเลยที่ชวนส่วนใหญ่เขาไม่เลื่อนจะทํำยังไง <c oughs> ก็ยังขอร้องยืนยันว่าเราไม่ไม่ไม่ยอมเราต้องเลื่อนให้จนได้ใครจะไม่เลื่อนก็นตามใจ <c oughs> แล้วว่าใครจะสนใจหรือไม่สนใจก็ทํา แม้ว่าคนอื่นจะไม่สนใจกับธรรม ก, กับพระธรรมเนี่ยเราจะจะสนใจแต่เราจะยึดเอาพระธรรมเออซึ่งเป็นที่พึ่งอย่างเดียวและเป็นของสูงสุดอย่างเดียวเนี่ยเป็นที่พึ่งเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านก็เคารพธรรมที่ท่านประกาศเองท่านยืนยันเองว่าท่านเคารพธรรมสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าก็เคารพแล้วเราจะไม่เคารพอย่างไรลองคิดดูถ้าเรา ยึดธรรมเป็นสนะซึ่งพร้อมกันนั่นก็เป็นการยึดพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เป็นสนะติดเนื่องกันอยู่ในตัวเองถ้าเรายินดีที่จะเป็นหรืออยู่หรือตายเนี่ยกับพระธรรมกับธรรมเราจะยึดตามกฎเกณฑ์ของธรรมที่ว่ามีอยู่อย่างไรเราทำอย่างนั้นจนตลอดชีวิตแม้ว่าคนอื่นเขาจะไม่เอาด้วย เพราะว่าเราไม่มีอะไรอื่นที่ดีกว่านี้ที่ควรทำเราจะต้องอยู่กับพระธรรมเออเสมอไปอนั้นเราจึงทำเนื้อทำตัวเป็นพระธรรมเหมือนเครื่องจับที่ว่ากลั่นกรองรัศมีของพระธรรมออกมาเรื่อยไม่มีหยุดมันจะเป็นประโยชน์แก่ใครหรือไม่ก็ตามใจเขาจะเขาจะเอาหรือไม่เอาด้วยก็ตามใจเขาเถอะอออาตาอแต่เราจะต้องยึดมั่นในอุดมคติเอ ของทำรรอย่างนี้เสมอไปธรรมะคือการทําอธรรมะคือหน้าที่การปฏิบัติธรรมะคือการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ก็เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่พว่านี่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วเอจิตที่ว่างจากความรู้สึกยึดถือว่าตัวตนแล้วเที้ยประเด็นที่หนึ่งต้องการบรรยายในวันนี้ว่างาน คือการปฏิบัติธรรมการทำงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมไม่ต้องสแสวงหาที่อื่นที่วัดก็ต้องทำงานการถือถือศีลให้าทานทาสมาธิทำปัจจนาก็คือการทำงานแต่ว่าการทำาร่ทำนาค้าขายอยู่ที่บ้านที่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยการไม่ให้มีความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกู้ว่าเห็นแก่เงินเห็นแก่วัตถุคขมาเกี่ยวข้องด้วยนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมและนั่นก็คือการทํางานท่านมันมีความหมายเหมือนกันหมดว่าจงทํางานตรงที่เพื่องานเพื่อไม่มีตัวกู้เพื่อไม่มีของกู้และก็กลายเป็นธรรมะเสมอกันทั้งที่วิปัตทั้งที่ไปนั่งวิปัสสนาอยู่ตามถ้ำ ต, ตามเขาและที่กําลังเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ขุดดินทําไร่อยู่ที่บ้าน คอมีอยู่เป็นอยู่ทําอยู่ได้จิตใจที่ว่างจากตัวกูไม่หวังวัตถุไม่หวังอะไรในการทาํงงาทงานเพื่องานทํางานคือการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ <c oughs> นี่เป็นประเด็นที่หนึ่งที่ธรมาอขอขอขอร้องอขอวิงวอนให้รับไปปินิพิจารณาและวิภากษวิจารณ์ทัานมีข้อเคลือบแคลงอย่างไรบ้างขอได้ช่วยกันเอ ักต้ก็เชิญท่านอาจารย์ชื่ออิฐหรือหรือหรือถ่ออออช่วยทาความกระจางให้ถึงที่สุดในข้อนี้ด้วยพระคุณเจ้าที่เคารพพระคุณเจ้าใช้เวลารื้ยาวฝึกเราก็เข้าใจดีมากแต่รู้สึกว่านั่นเป็นข้อธรรมะทั้นสูงของพระสัมมาหรือของบัณฑิตเพศที่พระคุณเจ้าพูดว่า ทุกวันนี้เราขาดความสนใจธรรมะสว่างคนนั้นต้องให้ธรรมะก่อนอาหารผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะลำบากเพราะใหสว่างคนเราไม่มีตามผิวแล้วธรรมะไม่เกิดศีลธรรมไม่เกิดความรับรู้ผิดชอบก็ไม่มีแม้แต่พระบ ร, ร, รมศาสดาของเราเองก็ต้องหันมาบริโภคอาหารธรรมะ อ, อันบริสุทธิ์ก่นที่จเกิดขึ้นกับพระองค์ท่านและที่ว่าหน้าที่คือธรรมะนั้น ถูกต้องแล้วครับผมไม่สงสัยแต่ว่าหน้าที่ปฏิบัติธรรมทุกอย่างที่พรกคุณเจ้าวิสัชนามากระผมเข้าใจว่าเหมาะสําหรับบรรณชิตเพราะทุกวันนี้แต่ละคนก็ทําหน้าที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่บัณฑิตเองก็พยายามที่จะเป็นนักการเมืองชาวนาพยายามที่เป็นผู้อะไรการจังหวัดศึกเด็กก็พยายามทํางานอย่างผู้ใหญ่และกำมกรก็พยายามอยากเป็นนายทุน ก็ทุกคนเมื่อไม่รู้จักหน้าที่กันเช่นนี้แล้วจะทําอย่างไรเล่าจึงให้ทุกคนหันมารู้จักหน้าที่ของตนแต่ว่าเพียงแต่ว่าให้ปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมะปฏิบัติธรรมเพื่อหน้าที่ขอผมว่าออกเรลุสุขําปากสักหน่อยครับเพราะเหตุว่าทุกคนในบัดนี้มุ่งหมายที่ทํางานเพื่อจะได้เงินทั้งสิ้นนี่ตามสามัญยวิสัยและค่อยคําที่ว่างานคือเงินเงินคืองานมาดานสุกนั้น แร่ผมว่าเข้าใจว่าเป็นคำที่ถูกต้องในสมัยนี้เพราะถ้าทุกคนไม่ทํางานแล้วฉันไหนจะได้เงินมาเลี้ยงชีพนี่เป็นทําการเข้าใจอย่างธรรมดาของคราว่าดีไสน์และของผู้ที่คล่องอยู่ในโลกไม่ใช่อย่างบัณชิตเพราะบัณชิตนั้นท่านไม่ได้ปฏิบัติงานอย่างขราวาด์แต่ผมอยากให้ทุกุนเจ้าวิจารณ์โดยฟังฝังว่าทำฉันไหนจึงจะแนะนําให้แต่ระบุคคลแม้แต่ที่นั่งอยู่ภในห้องโถงแห่งนี้ได้รู้จักหน้าที่ปฏิบัติธรรมของตน เพื่อหน้าที่ที่ว่าเหงะแก่ฐานะทุกคนไม่แข่งแย่งหน้าที่ทุกคนไม่มุ่างไปทํางานแห่งเดียวกันอันนี้นะครับเป็นความประสงค์ที่เราจะต้องการเป็นอย่างยิ่งถ้าทุกคนทํางานปฏิบัติหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วเป็นปรมัดเกินไปครับผมอยาก้ชยคําคที่สละสลวยและชัดเจนเพื่อพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้จะได้ทราบซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกครับผมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เคยถูกถามมากที่สุดเหมือนกันว่า ถ้าหิวก็จะปฏิบัติธรรมะไม่ได้จะสนใจในธรรมะไม่ได้แม้กระทั่งเมื่อ้องํางวันนี้ก็มีพูดกันถึงเรื่องนี้แต่สมาชมาเห็นว่ายังเข้าใจผิดกันอยู่มากเราไม่ตายก่อนเสียจะก่อนแต่ที่จะทำความเข้าใจกันในข้อธรรมะคือว่าให้เป็นผู้ที่ ถ้าหิวก็หิวด้วยอความหิวที่ประกอบด้วยธรรมะดีกว่าเพราะว่าถ้าหิวก็ขอให้หิวด้วยความหิวที่ประกอบด้วยธรรมะท่านจะต้องต้องสอนให้เขารู้จักหิวถ้าไม่งั้นแล้วจะตกเป็นเหยื่ออของวัตถุนทะัชพีของชาวพิทมีว่าพระเยซู ูกซาตานทดลองว่าให้เศกก้อนหินเหล่านี้ที่มีเยอะแยะให้เป็นขนมปังจึงจะยอมรับว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นลูกพระเจ้าพระเยซูตอบว่าคนเราไม่ได้เป็นคนอยู่ได้เพราะขนมปังแต่ว่าเป็นคนอยู่ได้ด้วยการปฏิบัติตามคําสั่งของพระบิดา ไม่ใช่ว่าคนเราจะมีชีวิตเป็นคนอยู่ได้ด้วยอาหารแต่คนเรามีความเป็นคนอยู่ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมตามคำสั่งของพระเจ้าให้ขอยเข้าใจให้ดีว่าพระเยซูได้ปฏิเสธวัตถุหรือรูปประ ร, รมหรือว่าวัตถุนิยมนอย่างยิ่งโดยไม่ถือว่าแม้จะมีอาหารกินและมีชีวิตยอยู่นี่คือความเป็นคน ถาว่าไม่มีการปฏิบัติตามคําสั่งของพระเป็นเจ้าแล้วไม่มีความเป็นคนแล้วย่อมไม่มีความเป็นคนนั้นไม่สนใจที่จะมามามาสร้างขนมปังสนใจแต่ว่าพระบิดาได้สั่งว่าอย่างไรจะลงมือทําทันทีแต่เดี๋ยวนี้ <c oughs> มีแม้แต่ศาสนาเอคริสก็ยังมีหลักว่าธรรมะก่อนขนมปัง ทีนี้พุทธบริษัทเราจะเป็นอย่างไรจะเอาขนมปังก่อนธรรมะหรือว่าธรรมะก่อนขนมปังมันเป็นเรื่องที่ว่า <c oughs> กลัว <c oughs> เกินไปก็ได้วาดระแวงในความตายเนี่ยวามลัวตายมากเกินไปก็ได้อมาจึงว่าถ้าหิวก็ขอให้หิวได้ความหิวที่ประกอบด้วยธรรมะถ้าเรารู้จักหิวในลักษณะเช่นนี้ ก็หมายความว่าเรามีธรรมะชนิดที่จะขจัดความอดอยากได้ธรรมะต่างหากที่จะช่วยให้รีบขมีขมันขยันช่วยตัวเองไม่นอนรอความช่วยเหลือของผู้อื่นหรือว่าไม่ทำตนให้เป็นภาระของผู้อื่นเนี่ยความหมายที่ถูกต้องมันมุ่งหมายอย่างนี้ ไม่ใช่มุ่งหมายว่าให้หยุดการทำรารยทำนาหรือว่าการให้อาหารกันเสียแล้วไปฟังเทศทั้งวันทั้งคืนไม่มีความจำเป็นที่ว่าจะต้องฟังเทศทั้งวันทั้งคืนอาจจะใช้เวลานิดเดียวก็ได้แล้วค่าใจแล้วใช้ได้ตลอดชีวิตไม่ต้องไปที่วัดอีกก็ได้คือมีธรรมะได้ได้โ ด, ดยลักษณะอย่างนั้นเราช่วยให้เพื่อนมนุษย์ไทยชาวไทยของเราเนี่ยรู้จัก ว่าการได้บุญที่สุดนั่นอยู่ที่การทําหน้าที่แล้วเขาก็ขยันทําหน้าที่แล้วเขาจะอดได้อย่างไรจะอดตายได้อย่างไรทีนี้แม้ว่าเกิดอุปัติเหตุแทรกแท้งผลป้าแล้งเรื่องจำองนี้่ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติเขาก็ยังไม่เดือดร้อนเขาก็ยังหัวเราะได้จนกระทั่งตายไปเนี่ยมันป้องกันได้หมดอย่างนี้ที่เรียกว่าเอาธรรมะก่อนขนมปัง คืออาหารแล้วข้อที่ว่าเขาไม่สํานึกว่าหน้าที่เขาของเขาเป็นอย่างไรนั่นอ่านอาจก็ได้กล่าวแล้วว่ามนุษย์ในโลกนี้มีอวิชชาอยู่ตรงที่ไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรจึงได้เกิดมาเพื่อเ อ, อเป็นทาสของกิเลสตัณหาของอวิชชานั่นเองแล้วก็ยื้อแย่งกันเ อ, อด้วยกิเลสตัณหานั้น นั่นคือการเบียดเบียนที่ถ้าว่าเราสอนให้เขารู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรมีหน้าที่อย่างไรและการทำหน้าที่นั่นดีที่สุดเพื่อเป็นความดีสูงสุดของมนุษย์จะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เนี่ยมันก็พ้นไปจากวิิตการอันนี้และที่ว่าทำงานเพื่องานนั้นอาจจะมายืนยันแล้วยืนยันอีกว่าได้เงินด้วยได้บุญด้วย ไม่เสื่อมสุขภาพทางจิตด้วยขอให้กำหนดจดจาแม่นยาว่าทำงานเพื่องานนี้ได้เงินด้วยได้บุญด้วยไม่เสื่อมสุขภาพทางจิตด้วยถ้าว่าทำงานเพื่อเงินแล้วจะได้แต่เงินอย่างเดียวและจะเพิ่มในความเสื่อมทางสุขภาพทางจิตคือกิเลสตัณหาที่เผาสุ้มไม่รู้จักดับไม่รู้จักรังงับนั่นด้วยเพราะนั้นจึงเป็นนันว่า เราสอนเขาให้รู้จักหน้าที่ที่พอเหมาะแก่ขั้นแก่ตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาคือภูมิคือชั้นสมรรถภาพของเขาแล้วก็ทุกระดับทุกขั้นเป็นการปฏิบัติธรรมเสมอกันหมดแล้วก็ไม่ยากที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่ขัดต่อการที่ว่าเขาจะไม่มีเงินใช้ เขาจะมีเงินใช้ด้วยเขาจะได้บุญด้วยคือมีจิตใจดีด้วยไม่เสื่ยงสุขภาพทางจิตด้วยอาตมาต้องขอตอบ เ, เพียงเท่านี้เพราะว่าหมดเวลาเสแล้ยยังเหลือสองหัวข้อไม่ได้บรรยายต้องขอไปที่ว่าทํางานได้จิตว่างเรื่องหมวดธรรมที่จะใช้ในการทํางานได้จิตว่างอย่างไรเนี่ยเวลาหมดเออยังพอดีแล้วขอขอธนายจารึกสรุป ข้อความเหล่านี้ก็ครับถ้ามีเวลากระผมก็อยากจะขอประทานสรุปคือกระผมรู้สึกจับใจมากในการที่พระเดชพระคุณได้บรรยายมาแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกมากมายข้อที่เคยสงสัยก็หมดสิ้นสงสัยไปที่กระผมรู้สึ ก, กประทับใจแล้วก็เป็นการที่ได้รับความแจม่มแจ้งเป็นอย่างยิ่งก็คื อ, อมาตรฐานของความดีในศาสนาพุทธ อะไรเป็นใครทีเรียนอะไรเป็นซัมมานโบนัมจะเป็นความดีที่สูงสุดผมเคยนึกอยู่เสมอแล้วก็เห็นจริงอย่างที่ท่านได้กล่าวว่าสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลและสิ่งที่เป็นอัพยกฤินั้นคือในที่สุดแล้วก็อยู่ที่ใจมนุษย์สิ่งไรที่ดีที่ชอบก็เรียกว่าเป็นกุศลสิ่งไรที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ชอบก็เรียกว่าเป็นอกุศลสิ่งไรที่ยังไม่รู้ก็เรียกว่าเป็นอัภยกฤิษไปก่อน ต่อไปอาจจะไปรู้เข้าเกิดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการหาสิ่งที่จะวัดว่าอะไรเป็นความดีจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและยุ่งยากอยู่เสมอกระผมเองอเพิ่งได้มาทราบในวันนี้แล้วก็ได้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในที่พระเทพพระคุณได้แสดงมาว่าในศาสนาพุทธเรานั้นสิ่งที่เป็นความดีสูงสุดที่พุทธบริษัทพึงจะกระทําคือกระทําตามหน้าที่ นี่สำหรับในทางทั่วไปสำหรับคนทุกคนที่นับถือพระพุทธศาสนาไม่จาเป็นจะต้องเป็นบัณชิตจะเป็นชาวไร่ชาวนาจะเป็นข้าราชการจะเป็นทหารหรือในอาชีพใดๆก็ตามตลอดจนถึงบัณชิตสิ่งที่เรียกน ด, ดเป็นการกระทำความดีนั้นคือเป็นการกระทำหน้าที่โดยสมบูรณ์และหน้าที่ขั้นสุดท้ายของพุทธบริษัท ซึ่งอาจจะเป็นอีกเมืรัยหรือจะในชีวิตเราจะมีได้ทําหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ก็คือมีหน้าที่ที่สุดคือทำพระนิพพานให้แจ้งแต่ประการกระทําหน้าที่ของทุกคนไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นหน้ า, นาที่ของชาวนาของนักปกครองของข้าราชการหรือทหารก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าเอ่อทำพระนิพพานให้แจ้งเท่านั้นเพราะเหตุประการกระทําหน้าที่ตามฐานะตามอาชีพของเรานั้นย่อมทําให้เราเกิดความรู้และความรู้ที่สําคัญที่สุดก็ เกิดความรู้ว่าเราเกิดมาทำไมและถ้าหากว่าความรู้เช่นนั้นเกิดขึ้นแล้วพระนิพพานย่อมแจงนี่เป็นสิ่งที่ผมสามารถจะสรุปได้จากที่พระเดชพระคุณได้กรุณาบรรยายมาในเวลาอันอนสั้นส่วนเรื่องอจะทำงานเพื่อเงินหรือเพื่องานเพื่อหน้าที่นั้นกระผมไม่เห็นมี ม, มีความกว้างมีความเห็นกว้างขวางอีกมากคือขอรับตรงๆเสก่อนว่าไม่เห็นด้วยกับสุภาษิต หรือไม่เห็นด้วยกับพาสิทที่ว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขประกาศให้ทราบเสียเลยในที่นี้ก็คือว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นจะต้องเป็นบรัณฑิตหรือเป็นขราวัตคือถ้าหากว่าถือว่างานคือเงินแล้วอาจจะใช้หน้าที่การงานเพื่อหาเงินในทางธุรกิจก็ได้หรือทํางานเพื่อเงินแล้วอาจจะไม่ได้เงินพอเกิดทุกข์ก็ได้หรือถ้าหากว่าถือกันกลองว่างานคือเงินแล้ว อาทีพเดวหาหน้าที่หลายตำแหน่งแห่งหนแล้วเลยทำไม่ถูกสักหน้าที่หนึ่งก็ได้ เ, เป็นเรื่องผิดทั้งนั้นนี่ก็เป็นที่กระผมสรุปได้แล้วก็เรื่องอื่นก็มีค้อจะสรุปไม่มากแล้วว่าอยากจะข อ, อะสรุปไปแค่นี้เพราะเวลาหมดลงแล้วขอขอปพระเดชพระคุณนามาเขาสกาสลาท่านผู้ฟังไปขึ้นรถไฟกลับรับ